แล้ว่าบางทีเมื่อหลังนะครับต่ ย, ยังมังกกระทักกันบบนี่หลยทีเดีโลกสวยดีแต่เน่ยนี่เหลือแต่คนไทยแล้วก็หลังเดินออกไปเราคือภาษาไทยเ ป, น, ป น, ยนดีวเน่นว <c oughs> ันนี้ไปรุ่นว <c oughs> ันอะไรเนี่ยคนดังสติคนมารุนตัววันที่ดีหลายคน ก็มาอยู่ประมาณที่ิพกว่าวันวันที่มีการทกสติสตก็จะมีอยู่สี่ห้าคนเรื่องพาวนานอยู่สี่ห้าคนเรื่องทานเรื่องรับประทานวันเกือบสิบคนทานทานสีภาวนาแล้วก็ดูกิจกรรมคนไทยในสหรัฐอเมริกาซึ่งทราบว่าที่นี่ มันมีอยู่ประมาณหา้าร้อยคนคนไทยแต่ต า, าข้อมูลจริงเพิ่มไปเรืก็เลยจา<ม>เป็นว่าต้องมันจุดศูนย์รวมคนไทยแล้วก็เอารวมกันมาวัานไหนบ้างอย่างวันสำคัญวันราชินวันแม่เก่าเดิมหรือวันเปลี่ยนชื่ อ, อ, นนอเรัไงนะครับก็วันจะนทร์นขับรถมาจ่าย ลีนอยู่วันนั้นก็สิบคนปฏิบังิงานเมื่อคืนหรือประมาณปีสีของที่นี่ที่กรุงเทพนี่ก็มีการจัดปฏิบัติธรรมที่หอัจุติมัยที่ อ, อ, อาอจารย์ภูใต้ที่จะรู้จักคนประมาณสามร้อยคนมีหมอบัญชา ผมฟันนี้แล้วก็มีอาจารย์เป็นสารพิสุลโล่ที่จริงงานนั้นระบาดต้องไปคุมก็มอคอยอยู่ว่าจะไปอเมริกาหรือว่าจะอยู่จะไปอเมริกาจะอยูอย่ก็ ย, ยังไม่รู้จนข่าวกระส่มายแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าจะาได้มานั่งหรงือเปล่าแต่ก็ยังเลิ้ยงยัง ติดต่อมาทยงมองไทยติดตามกันอยู่ทรงข่าวกั้อยแต่กิจกรรมที่มันเชี่ยวโยงปกติเป็นอย่างสำหรับจมืออันที่ถึงไหลไฟงลยนะอย่างเช่นเดี๋ยวพรุ่งนี้ที่นี่ต้องในสถิิกล้แต่โชคดีว่าที่โน่นกำคืนที่นี่เป็นกระปองออมาต้องเทตอนสิบโมงเช้านเขาไปถึน เราจะเจอกันตั้งวันทั้งคืนเขาเรียกว่าในสัจจเป็ยนยั้นก็เป็นรุ่นเกา่ารุ่นเกา่ารุ่นที่ฝึกกันมาถึงได้สิบปีแล้วก็เราเริ่มจะพูดงานความดีของผู้ที่ร่วมรับไปแล้วตั้งแต่พระเจ้าจะแบบอ่านวันนั้นนี่นู่นก็ื่จะมารวมตัวกันไปเลิกงานดามดีชาวพูดธทุ่นหลงก็เป็นบัตกธรรมกันพยายามสรุปอะไรคือแก่งของผู้ศาสนาแล้วเอาสิ่งนั้นทำมาเป็นบลักกัน ระดานพ่อแม่คุูบาอาจารย์จะรงหายใจศูนบรรจารเลือกบรัศนวันนี้อ่าเพื่อจะเกิดคนมาวางดีเพืเกิดพลังอาศัยบา ร, รมีพ่อแม่คุูบาอาจารย์อยู่องค์ตุเลสสามาสองเจ้าหรือสัาธรรมองค์ไหนก็ไเพื่อเราจะได้น้องมาเป็นวันนี้ของเราัไม่ใช่ว่าปล่อยทิ้งไปโดยที่เราไม่ได้ปรโยนเลยจิตเลงมเมื่อกี้คนนี้ก็ไปเขาบอกว่าอจาจารย์เอ่อ สอนเบสิกเลยนะจาริสติอายุเท่าไหร่ครับจำได้ไหมโอ้โหมาดูสามสิบต้นต้นเหมือนห้าดอีแทำไมหน้าตาหรอหอาเยอะจังห้าสิบสองยังไม่เคยรู้จักภาจาริสติกแต่ ฟังนะีฟังเพราะว่าต้งใจพูดก็ตั้งใจฟังและไอ้ริงที่จะบอกเป็นวิชาชีวิตด้วยไม่ใช่วิชาเรื่องนะเป็นวิชาบังคับด้วยการเรียนรู้มีวิชาเรื่องกวิชาบังคับถูกไหมแต่ในสิ่งที่เราจะรู้เนะี่ยเป็นวิชาบังคับแนละไม่ใช่วิชาเรื่องนะใครไม่รู้อันนั้นอะสมบ่าเลยบอกเลยเยสียใจเกินเราพูดแบบออกไปถึงมาไม่ม อ, อ, นอน้อนอ้อนใจอย่างเงี้ย ร, ริแล้วควรรู้อย่างผมแล้วมาโชคดีไปรู้ตั้งแต่เล็กเลยอันวั้นคนเลี่ยนวัดเกียร์พระั่นแหละทุกนเกียร์วัดแล้วเกียร์พระไม่ชอบเลยการอยู่กับวัดอยู่กับพระไม่ชอบตรงไหนถอวหนึ่งเป็นคนขี้ขาดเป็นคนไม่สมเห็กเุก็เป็นวัดจนนี้ก่อนอนะไรจะเป็นแบบนี้นะพอม่ยากจนเลิกกันเละ ๆ, ๆตัวมันเนะ้ยแต่ก็อยู่อกันกินข้าววัดปรีเป็นอย่างนะัน ส่วนตัวไม่เอาอีกแล้วสมมติวา่าพอจะมีตางนะนะไม่เขียนวัดเลยแต่ท้ายสุดต้องมาใส่เครื่องแบบแก่สิ่งไหนได้สิ่งนั้นเนี่คือสิ่งที่เกี่ยวที่สุดชุดนี้ก็ต้องมาใส่ไอ้ที่ใส่ ก, ก็ต้องการเรียนรู้เป็นชุดนักเรียนในเครื่องแบบมันมีนักเรียนนอเครื่อ ง, งแบบกับนักเรียนในเครื่องแบบจะแบไปเจอหลวงพ่อต้อเขียนยก็ท่านพูดถึง ความรู้สึกตัวเราพูดที่ความรู้สึกตัวเสร็จแล้วไปเจอคำท้าทายหรือผู้เทียนถ้าบอกปฏิบัติไปเลยปฏิบัติหเดือนไม่ได้อะไรน่ยนะไม่รู้เรื่องอะไรน่ะเดี๋ยวฟอรูปนามไม่รู้นะแยกรูปนามผ่านห้าได้เอาตังไปเลยถ้าเรามีเงินเดือนเดือนละหมืสามเดือนให้ล้วนแล้วไปด้วยสามหมืน่นคือแกเป็นข้าพมาดีไม่มีคําท้าทายเลยแล้วเอาไปไม่มีใครเคยได้ตังจากหลงผู้เทียนเลย เพราะผูบัญญัติมัรู้ทำไหมมันขึ้นตัวเองได้หรือมันใจเป็นคนมันฉลาดมีปัญญามันรู้ทำไหมมันไม่เอาอะไรของใครมัมีดต่ให้มันไม่มีคำว่าเอามันยังอยแกตัวมีแต่แบ่งปันแบ่งปันแบ่งปันเป็นแบบนั้นจนงกันก็เลยเนี่ยหละมันเป็นคําท้าทายแตเลยมาแบ่งชุดเรื่องแบบเวลาพระไปนอนกับพระเนี่ยก็ถ่ายทอดหมดเลยกลางโยมไปนอนกับพระเนี่ยยังมีชนชั้นนันอยู่ ถึง่าบริงแบบแต่เราพอแต่งชุดนี้ไปมันเนียนเลยนะครูอาจารย์ที่เทหมดเลยปฏิภาเราก็ได้เห็นจารีวัตรเราไได้เห็นตื่นเช้าใกลนอนกี่โมงรับหลังเป็นไงต่อหน้าเป็นไงในที่แจง้งในที่รับ ม, มันเห็นหมดเลยน่ละก็เลยว่าตอนนี้เราเป็นนักเรียนนอกเคร่งแบบกันได้ไดีไหมแต่มาเรียนรู้วิชาเดียวกัน โยมรู้อย่เป็นอริยบุคคลนะพระรู้เป็นอริยสมอริยะเหมือนกันอริยรูอไกลจากศัตรูอริย ร, ยรยู้สัตรูศัตรูก็งเรคือคืออะไรอยวาไปบอยบคนนั่งแท้นะ๋ย่าไปชี้คนนังแา้นะเป็นศัตรูนะเนี่อศ <c oughs> ัตรูก็คือไอ้สิ่งที่มันทำให้เรารลวเลชนก็บอกว่า ความวุ่ความโกลความหลงเป็นต้นฉะนั้นหลงก็กระโจนหลงก็มาล้วงหลงก็มาล่าหลงก็มาแชร์ความหลงก็เรอยกวิชาวิชาความไม่รู้แล้วรู้ก็รู้ไม่ถูกกูไม่ใช่เราไ่รู้รู้เท่านั้นรู้ดีรู้ชื่วรงดีเชื่วรู้หมดหมดได้เลยรู้กันหมดอ่ะแต่ว่าเฮ้ยเราหลงก็รู้หน้ากลัวอ่ะไม่ใช่รู้ว่าหลงเราเราู้ว่าหลงไม่น่ากลัวรู้ว่าหลงเปลี่ยนไ้ ใช่ไนี่ยขับรถอย่างนีม้มันหลงเช่นมาที่เนี่หยหลงใต้หลงขวาเนนะี่เพราะวาเนี่ยคือมาเป็นคนที่มาที่นี่เราตมองการเปลี่ยนตัวมาเปลี่ยนตัวมาเพราะว่าเขาบอกที่จะต้องพึ่งตัวเองเอถ้าพึ่งตัวเองไปไหนพีนระบาดเขาปินไม่ได้เท่าที่สังเกตดูจะเ ป, ป็นปีนระบาดชาบ้านไทยใระเท ก็มไม่ออกเลยยังไปวิทยาลันแม่ถือบางไปหมดวจับก็ยังไม่แน่ใจฉะนไ้นคนหน่อยก็มีก็เลยไอ้สิ่งที่ไทยยเม า, า่อวันคืนงดทุกวันศุกร์ต้องไปลูกตาแก่ขับรถตุวันนะคะแกแข็งไงต้องฉีดยาที่เขาขาวแล้วขายแก่แขงคนมารับกันมาแล้ก็ต้องเอารถไปกันเองใช่ไหมหลุงตาก็บอาจารย์ขับรถลุกื่นแกให้ ไปนี่น ร, ร้กาก็ดูแบบหนึ่งเรารู้จักตัวเราเองด้วยแบบนี่เราขับเคนขับได้ไดไหนะ่นัสองถูกกฎหมายแบบออกถนนกนต้องมีใปกับขี่ไดคผิดกฎหมายนะใช่ไหมอ๋อเรามีไปกับขี่สารารณนก็มีใบกับขี่สมารถก็มีตามอธิบดีคมขนส่งที่ประเทศไทยแล้วออกให้แต่ว่านี่จะเอาไปเอาไปใช้ก็จะเพิ่ตัวเองไงอิ เ, อเนหตนุจนโนาโทไ ใช่อะไรที่เป็นใจการพึ่งตัวเองจริงไม่ใช่กาสอนเจ้าแน่นอนตริงแสดงความเป็นเราต้องพึ่งตัวเองให้มากๆแต่พึ่งนะพึ่งอย่างไงมันมีเหตุปัจจัยเราต้องพึ่งตัวเองแต่อันี้เราชี้ให้ก็ต้องรับผิดชอบเราแล้วแต่เป็นเจ้าเราเองสอนก็คือเราต้องรับผิดชอบตัวเองครับเราลับรถเป็นหรือเปล่าลูซายรุ่งกว่าหรือเปล่าตาดีหรือเปล่าอ่านใต้ออกหรือเปลาไฟแดงเลยคนจราจรเข้ามาเก่ง นั่นคือการเตรียมพร้อมชีวิตเราก็จะมีการเตรียมพร้อมต้องแก่ไหมล่ะต้องเจ็บไหมล่ะต้องตายไหมล่ะใช่ไหมเห็นหลวงพ่อแกบอกว่าโอ้โหห้องนั้นนะห้องกลางมันมีแต่ของรกเป็นห้องมา่อเลยก็บอกว่าหมอตายก็เลยมาไว้จังนะก็เลยนึกว่าหมอตายใช่ไหก็หนุไม่ตายเพรหมอดูแลดีสุขภาพดีใช่ไหม แกเจ็บตายก็มีอยู่ในโรงพยาบาลเทวทูตแล้วก็บอกว่าอฮ้หมอตายเราของเต็มห้องแลยก็เออทำไมไม่เอาไปบริจาใคใก็ตลาดให้ ค, คนยากจนกันนะให้ให้อเอะเข่ไว้กับโรงพาบาลคนทีอากคนจนก็งไม่ไะครับแต่พอคนทั้สองปีที่ผ่าน ม, มาโควิดเกิดขึ้นมาระบบการจัดการการบริหารนันก็เลยยังไม่ได้เอาออกกนะันเพราะนั้นจิตใจของเราจะต้องมีการจัดการบริหารที่ดีนะ โดยเฉพาะระบบความคิดเนี่ยถ้าเจตนาคิดเนี่ยดีได้เงินได้ทองรู้ถูกรู้ผิดเหตุผลเนี่ยดีเจตนาคิดเนี่ยแต่ถ้ารักขโมยคิดขึ้นมเนี่ยอันนี้ไม่ดีรักขโมยคิดเลยเดินเดิ น, ดนอยู่บอกแอบออกมา น, นอนนอนอยู่บอกแอบออกมาบางทีเราไม่ได้ตั้งใจมันต่อแอบออกมาในส่วนี้ตัวอันตลาดตัวหลกนั่นเองตัวคิดตัวนี้คือตัวหลบเพราะตัววิชาก็คือ เราหลงเข้าไปในความคิดเรารู้ไม่เท่าทันความคิดแต่เพราะความคิดเป็นนามธรรมไงละเอียดอ่อนมากเลยะนั้นความคิดมันมีจอบแบ่งนะพวกเราตัวหนึ่งที่เป็นการตั้งใจคิดอย่างตอนนี้ตั้งใจคิดพยายามสแกนดัวนี่คือคนไทยนี่คือผู้หลักผู้ใหญ่นี่คือปัญญาชนคือบัณฑิตเพราะนั้น ผ่านร้อนผ่วก็ไมเจ็บแล้เลยสรุปเลยว่าชีวิตของเราเป็นทุก ข, ข้อความคิดไทยว่าจริงก็เหมือนโดวยว่าความคิดเดื่องตั้งใจมันหลอกหลอนเราตลอดเวลาแต่ในตั้งใจคิดอยากจํากับลืม อ, อย่างลืมกับจำไอ้ที่ตั้งใจจําลืมแต่ที่ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยมันจำยังเลยเพราะฉะนั้นผมเริ่มมาตอนที่ไปบวชย จับประเด็นได้เลยประเด็นก็คือที่เราทุกเนี่ยหลวงพ่เทียนบอกทุกเพราะคาคิดยิ่งไปเจอหลวามเฉียนสิหลวงพ่เทียนยิ่งสรุปเลยบอกนะไอ้ความคิดที่เราตั้งใจนี่ไม่เป็นทุกข์นะแต่ไอีที่ไม่ตั้งใจได้หลงเข้าไปเนี่ยไอ้เดี๋ยราปรงแต่งมันอร่อยมากเลยมันโลมมันคิดทีเดียวเข้าไปปรุงแต่งแตมันโอ้ยอร่อยและใชยสุจารกเป็นท่าความคิดเปท่ามันพอคิดแล้วเราโกรดเี่ยคิดลโลย คิดก็เหลงไงคิดเลยค่าวิจารณ์จริงไม่จริงเราวิพากษ์วิจารณ์ก่อนมันเสียเวลาถ้าเป็นเรานับถุกจัดระเบียบชีวิตเราเองตายก็ต้องมีระเบียบวาจา ก, ก็ต้องมีระเบียบความคิดก็ต้องมีระเบียบถูกไหแต่คิดแล้วมันก็พูดไงแต่คิดแล้วมันก็ทำไงมันคิดต่อนตอนนี้เรารู้ทันคามคิดเราก็เบี่ยงตัวเองได้ไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดก็ได้ แต่ผมเริม่มทำมามอยู่ที่นั่นคุยกับหลวงตา ค, คุยกันเปนชั่วโมงไงกินนะข้าวแล้วนั่งคุยมีเรื่องที่คุยมันแสดงออ ก, กบอกกหลวงตาหลวงตาไม่รู้จักผมผมก็ไม่รู้จักหลวงตาไม่รู้จักคนตอนปลายตีนเลยจรินไหมว่าจริงไหมเราบอกเลยเราเป็นใครจะได้รู้จักเราแต่บางทีงมันก็ขี้โม่แต่เราไม่โม่เราพูดความจริงกันเอาความจริงมาพูดนะเมื่อวานเนี่ยอามาหรือผมก็บอกว่า มันนี้ป็นันตายหรวอพ่อเขียนแนะให้จิตญาณจิตทักงหลายเนะี่ยเม้นมาพลละเม้นมากคาพูดของหลวงพ่อกับเขียนที่ทันเทศมาทั้งชีวิตเนี่ยประโยชน์ไหนที่มันโดนใจเราแล้วลเรานํามาใช้แล้วบ้าเกิดประโยชน์ต่ชีวิตมันมีอยู่คนก็บอกว่าอย่างนะี้นะชื่อจ็คแจ็นคนวพุณอันนี้เด็กจอบนักศึกษาวดแล้วไปเรียนรู้สึกแล้วทำงานด้วยกัน ถ้าคุยกับตลาดชอบให้คนเร่งไประมณ์เข้ามานมาแล้วบอกว่าที่ประทับใจประโยคที่หลวงพ่อพูดก็คือหลวงปู่เทียนสอนหลวก็่ต้องเขียนว่าสิ่งที่หลวงพ่อสิ่งที่หลวงพ่อมีเนี่ยหลวงพ่อเอามาคุยอวด มาบอกพวกเรามีดีแล้วมาอวดไม่ใมาอวดเดียนะะทั้นี่ไอ้พวกเราเนี่ยของที่พวกเรามีเนี่ยหลวก็่อเที่ยงทิ้งแล้วฝั่งเราจะรู้เลยไอ้สิ่งที่เราพ่อเบีเนี่ยหลวงพอเอามาคย อ, อดวดก็คือความทุกข์กันนะแต่ที่พวกเราคุยอวดหลวงพ่อทิ้งหมดแล้วโอ้โหมาฟังนะ่ยมันกร่ง เราก็คุยกันเรื่องบ้านเรื่องทัพเรื่องทรัพย์สินเฉลิมชายเรื่องนั่นนี่นูนแนน่แต่อยู่ตรงที่เราพูดถึงความบรรทุกกันนี้เอาพวกเราเราพูดคาว่ารู้สึกตัวกัน่พูดเลยรู้สึกตัวรู้สึกตัวพูดอีกทีต่างๆเจ็กย า, ามขอ ง, ของรกระเลงรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยฟังไว้เลยรู้สึกตัว เมื่อวานไอ้บ้วขาว่าเตนรับมวยญี่ปุ่นยกสาม่องใครรู้บ้างเรื่องนี้ยกมือมีรู้อยู่คนเดยวหรือว่าใครู้ได้ไใครไม่รู้บ้างยกมือทาไมไม่รู้ไม่ได้ตามไม่ได้ตาม <c oughs> ในเรื่องธรรโลกนะัในเรื่องธรรโลกเอาไม่ได้อยากรู้หรือนั้นส่งมาให้อดัมาอีก อยู่เนี่ยรู้สิตัวไม่รู้ว่ตัวขาวจันะบอกว่ า, วาเออไม่ได้อยากรู้เลยนะมันส่งไม่เฉยเลยแลย้วย ม, ามานะเคยรู้เรื่องรู้สึกตัวไหมพม่ากำลังส่งมาให้เนี่ยเคยรู้เรื่องนี้ไหมรู้สึกตัวพระอาจาไทยก็รู้สึกตัวคือศีลสมาธิปัญญาเนะี่ยพอรู้สึกตัวเนะี่ยมันเป็นรากฐานของอาการ ตนนี้ถ้าใครไม่รู้สึกตัวเนี่ยใจจะลอยไปแล้วเนะี่จะลอยออกไปนอกนั่นนอกอาคารนอกต้องเนี่ยไม่เชืไปเฉื่มันไม่รู้ตัวไม่รู้ว่านั่งอยู่ไม่รู้ว่าพิษตาอยอไม่รู้หายใจเนะี่ยคนลืมตัวแล้วพอเราลืมเนะียลืมที่ตัวตัวกายเนะี่บอดี้อยู่นะว่าตัวเนื้อตัวหลังเนะเราลืมใจจะลอยกันทีเราจะพิษเอกไหม ที่เป็นข่าวโดนกิดกระเป๋าโดยร่วมกระเป๋าไปเที่ยวอิตาลีเลยเนี่ยเป็นม้วนดูโชว์ดูอะไรกันข้างหลังเอาขอไปแล้วเรียบร้อยไม่รู้สึกตัวถ้าเรารู้สึกตัวเราจะรู้ว่าเ้ยกำลังโดนขีดกระเป๋าใช่ไหมมีแรงสั่นสะเทือนโดนจับผ่าโดนกระทบเนยจะรู้สึกตัวกว่าหรือเวลาเป็นลมเราจะเป็นเปรตเวลาเป็นลมหรสลบพยาบาลจะถารู้สึกตัวอย่างรู้สึกตัวหรือทิ้งรู้สึกตัวแล้วนี่ ผมเลื่อนมาไนะปโดนทักไปเราทั้งหนึ่งโดนทักตัดไส้ตีนโดนวางยาสลบทแล้วก็เร็วๆนี้ไปทาําไปส่งตั้งทางเะวานางนะเพราะว่าให้ยาสลนบนั่นเราก็รู้สึกตัวสลึมสลอขึ้นมากมีความรู้สึกตัวชัดเจนเลยก็ถามว่ารู้สึกตัวไหมมาแต่ตัวไปอยาบตัวรู้สึกไอตัวนี้แหละ มันเป็นอา ร, รมณ์ที่เราจะต้องคอยรับรู้รับทราบอยู่เสมอ น, นั่งเดินยืนนอนกินตับาจในรูปแบบนอกรูปแบบนะเมื่อกี้เนี่ยหมอโคสัจ๋าไปพูด้นเรื่องนี้ว่ามีสมรรถภาพมีวิปัสสนาใช่ไหมเม่กี้เนี่ย แ, แล้วก็มีอาตามปีสมนนติมาวิเนยยโลกเกยวิชาตรมิทันสัมพูดโอ้โหพูดดีกว่าใครนาจะมาปวเจ้าไว้อยู่ที่นี่น จริงๆนะโอ้โหมันแน่นมากเลยเป็นความเพียรเรื่องเผาพิเรนไออารตาปีตอนแรกจะกลับมารู้สึกตัวในการนั้การเดินการยืนการนอนก็จะเห็นัหมอาจารสามารถทดสอบโยมได้แล้วบอกให้นะว่าตอนนี้โยมมีสติหรือไม่สติมีสองแบบสติเียบเหมือนสตางค์ด้วยมาต่อให้เลยทางโลกเนี่ยจนเงินคุณได้มีข้าวกิน จนเงินไม่มีข้าวกินภายในใจท่าจนจอดใจคุณค่าตัวตายแน่นอนบอกความรักจะเป็นความร้ายถึงระดับไหนไม่เปียนหรือว่าจะฆ่ายอยู่ตามไปด้วยจอมโจรขนาดไหนไท้ายสุดจะเป็นจอดใจเปลี่ยนขนาดไหนไท้ายสุดไป็รักกะไรักมาขนไหนเป็นเปลี่ยนเลิกร้างก็่ได้ฆ่าแกงไม่ได้ตรง น, นี้ยปันก็รเล่า้องมีสตางไปทํางานให้เต็มที่ร่วมไปนี้นต้องมีสตางอย่างมาที่นี่ดีแล้ว นะแต่บุลีรัมย์ที่นี่หนึ่งตอนที่นี่เท่ากับสามสิบกสามสิเจ็ดอนไทยตอนดีแล้วเอามามาอยู่ที่นี่เนี่ยนับซองดูคนไทยให้มานั บ, น, บนับรวมๆได้ประมาณห น, ะนึนห้าร้อยหยดมานั้นให้ที่ทีละยี่สิบเหรียญสามสิบเหรียญเนี่ยมันคนเก็บเงินเก่งนะวะไม่นี่เก็บไปเก็บให้ว่าให้หมอเนะี่ยให้คนนี้ให้หออกตัวถ้าเรืนเนี่ยพาแมวกลับคนไทยกระจใจกัน มันข้งนอกมันมีสตาง์อย่าไปถูถูมันจะตางค์สมบัญญติบางอยของโลกสมบัสัจา์ของโลกนะแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นเงินออนไลน์แล้วมันจะเป็นแค่โฟมเต็กกระดาษเป็นดังกระดาษเพราะนั้นเงินจะต้องหาอย่าไปที่เกียนที่แค้นแต่ที่สำคัญก็คือโนใจและค่าตัวตายเจ็ดถีค่าตัวตายเท่าไหร่ตั้งแต่ปีหกศูนย์ต้นมามันเป็นเรื่องักองค์การอนามยัยโลกประกาศไว้ว่า โรคที่จะมาดับหนึ่งก็คือโรคเคร่ยดและเดี๋ว่าโควิดเนี่ยคนไายก็โควิดไม่ตายนะค่าตัวตายเยอะน่ะสถิติเมื่อสักประมาณแปดีที่ผ่านมาประชากรโลกเนี่ค่าตัวตายสี่สิบวินาทีต่อหนึ่งคนค่าตัวตายเดี๋ยนี้ยุมากเพิ่ขึ้นเฉพาถ้าวันที่สิทกันยาเยือนเป็นวันรณรงค์กันค่าตัวตายโลกนะดูสิ ในโลกคนอื่นไม่ได้กลัวมาลงมาเล่นอะไรขนาดนั้นกลัวหรอกแต่ในโลกเครียดรอ้อนไอ้โรกที่ความคิดมันเล่นงานเราวันนี้เราไม่ทูกแต่วันหน้าไม่แน่วันนี้ยังสมบูรณ์แบบอยู่อะไรก็มีอะไรก็ ม, กมีเดี๋ยวว่านหนึ่งวันไหนเกิดมันถึงจุดที่มันต้องใช้ช่วย อ, อย่างเรียบง่ายมันจะ ม, มีความสุขได้ไหมแตบนี้มีผัวผัวปนนี้ทีเงี้ยเี้ก็ะตืริอนมีบ้านบ้านกาไม่ได้อยู่มีรถรถถังมีลมีลูกก็ ม, มีอยู่ด้วย ผมเริ่มงานนี้เตรียมใจไว้เลยเนียโยนสองคนนี่ไปมีลูกตอนอายุประมาณจิตขวดยี่เอประมาณเก้าขวดจิตขวดตลอดนั่นแนละเรารู้แล้วการเลี้ยงลูกของเราเนี่ยไม่เกินสี่ขวดมันไม่ต้องการความรักกับพ่อแม่จูมันไปโรงเรียนมันสบัดมือหีือวิ่งใหญ่เลื่อนหัวเชื่อไหมล่ะเดี๋ยวก็จริงไหมตอนมันเจอบางกระตั่วเราเคยจูงก็ไปโรงเรียน อยู่มาวันนเรารู้เลยเข้าตลาดมือเราแล้วก็ไปหาเพื่อนเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วนะความรักอยู่ที่เพื่อนนะไม่ใช่ความรักอยู่ที่พ่อแม่เรารู้นะจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องคล้ายๆกับยิ่งรักก็ต้องยิ่งเตรียมตัวและเตรียมใจรักันมากมันก็ต้องวันพัดผ้ากับเสียใจมากแน่นอนจริงไหมันต้องตั้งสติให้ดีนะแล้วยิ่งเราเวลาบอกแนละ้วเราต้องแก่ต้องเจ็บ ต, ต้องตาย และเราไม่เคยฝูกปล่อยวางแล้บบนี้ยาสมบุกไมเคยฝึกว่ายาสมบจะไปรลบได้ไหมกับตังมันก็ต้องมีการซักซ้อมด้วยนะใช่ไหมโดยว่าการรู้สึกตัวและการสุขสติต้องถึกเอาไว้่ะเราสามารถที่จะเผชิญกายลงเผชิญกับทุกได้ตลอดเวลาตายมันต้องรู้กับทุกแหละจริงด้วยเราต้องการความสุขอย่าลืมนะสุขกระทุกน่เหมือนหูเลย เราต้องการสุกใช่ไหมไปจับหางงูไงหัวงูก็กระดับใช่ไหมแล้วไปจับหัวงูยังไงมันก็กรับอยู่แล้วทุกข์ไหมฉันสุขกแตทุกข์เนี่ยมันเหมือนงูตัวเดียวใช้ต้องการสุขมากกว่านก็เตรียมทุกข์มากเลยนี่ไม่ได้มองนะมองในแง่ร้ายหรือโรคมีความทุกข์ไม่ใช่แต่ว่าเราต้องเตรียมใจไว้เลยว่าโลกเป็นแบบนี้จริงๆหายใจเข้ากทุกข์แล้วหายใจออกแล้วนั่งนานๆก็ทุกข์แหละ ถึงไหมถึงไหมคิว่าะทุกแห ล, ละด้ยิ่งทับวันมันมันอยู่รความไม่แน่คงไม่แน่นอน ต, ต้องแกกต้องเก็บต้องตาต้องคัดพาคต้องน ต, นตัรหนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นทุกข์อ่ะดังนั้นผมเริ่มมายอยากจะแสดงออกว่าพวกเราเชิญชวนหรือเชียร์ฝึกเผอวิชาตครับเริ่มต้น ช่วงนี้เช่วงข้าวปั่นสาก็คือฝึกในฤดูฝนก็แล้วฝึกฝนชนะ่วงนีพ้พระเจ้าได้ชี้ไว้ชัดว่าในช่วงเนี้ยพระจะออกไปต่างนอกนะถ้าเป็นประเทศอิตาลีมันดีเยี่ยมต้องไล่ท้องนามันไปเล่าตำหที่ว่าชาวบ้านชาวานาวนทำอะไรทำสวนไม่ต้องมาคอยเทคแคร์ดยเลยพะมาเสียเวลาอย่างนี้นอพูตวมกนันรู้สึกตัวรู้สึกตัว อันนี้มากระทบกันมันมีลม ห, หายใจแต่ลมหายใจก็เรียกอานาปานและสตินะอันนั้นมันเหมาะกับพระเจ้าบรรลุธรรมมื 2, ่อสองพันกว่าปีแต่ยุคเราความคิดมันเยอะพระเจ้าปรวางไว้ทันหลักประสูตรจริงๆแล้วพระสูตรที่กําลังบอกให้เนี่ยมันอยู่ในเล่มที่สหน้าที่สองร้อยห้าในพระสู่มันเป็นเรื่ของพุณศกดม์ิกรัยนะก็คือคําพูดจาก พ, พกระโอษฐคุณศกดม์ิกาย แล้ม so ีหลักฐานอ้านอิงเป็นวิชาการอยู่กรณีทฤษฎีวิชาการอย่างเดียวไม่พอต้องปฏิบัติการลงไปถึงจะเกิดผลเนี่ยใช่ไหอยากเล่นตีต้อมดเ็ซ้ำๆๆๆๆๆหนึ่จะเล่นเป็นใช่ไหมซ่อนมีสติโลได้ไม่ได้รับโดอะไรแบนี้ก็ต้องท่องท้องที่เป็นโดยมีปาราดีโอดอโดโดสูงโดต่าถ้าเป็นพวกเป็นโนหรือเอาแก้คดีช้าไปมีแบบวิช้าไปใช่ไหม ที่พูดที่จำนานเราอย่าพูดเรื่อยไม่ใช่หรือเห็นเครื่องตีอย่างนีไม่เล่นเลยอย่างหยุดฟ้าเอออย่างไม่รู้ล้าน้าที่นี่ตะผมตะขัวมันร่วงเสียงเพียนหรือเปล่าแล้วต้องทวงอีกนะนึกออเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยนะต้องแม่นยำการนั่งการเดินการยืนการนอนการกินการขับถ่ายตั้งแต่เกิดยันหลับยันหลับยันตื่นทั้งวันเราได้ยังมีสารทสุกสารที่เปิดขึ้นมาทุกวัน เนี่ยไหมมันใจเป็นโอ้โหชีวิตเรากาลังชีวิตจะปล่อยมันผ่านไปวันวันวันวัเสียดายพระเจ้าบอกอนเวลาล่วไปร่วมไปแบบนี้เราทําอะไรกันอยู่เวลาไปล้ตายพระเจ้าก็ไม่โง่หกอีกคนเราหนึ่งทั้งชีวิตคนตายมันจะไม่โง่หกจริงๆถึงจะประเภทที่ว่าตอนมีชีวิตอยู่จะเป็นคนที่ ไม่เคยซื้อ่รือไตร้อมขนาดไหนก็ตามเช่นสมมตินะไม่รู้สองคนสมมติไม่รู้เมียซุกเงินขางบ้านหรือผมซุกเงินของบ้าสองคนเนี่ยสองคนเอ๊มวยหมอบุยบอบใช่ไหมแต่เวลาใกล้ตายนะพ่อซุกไปใต้หอนแม่ภัยพ่อเลยนะพ่อมีกิดตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นมอยู่มันมันสารภาพหมดเโย่จริงๆพระเจ้าก็รับสารภาพนพระเจ้ารับสารภาพไงดู่ หันตะารมีพิฆาเวอมันตะการมิโว่ดูกรท่านทหายบาัดเนี้เราขอเตือนท่านทหารว่าว่าแยกรรมะสัมาระสัมปัรทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ป, ประมาเทนะสัมปารเทถยขี่เส้นแดงไดว้เลยุงนับ ป, ประมาณเทนะเน่ยขี่เส้นแดงนะเราจะบอกจงทำปาไม่ประมาทให้ถึกพร้อมเตืเนนะโดยเพราะนั้นความมีหม่คือสตรีปฐานนั่นเองเป็นอย่าง เมื่อกี so that, so often, ้บอกว่าสติมีสองแบบใช่ไหมสติปัฏฐานนี่คือการกลับมายูตัวเองระลึกรูในใจในใจของเราก็เรียกว่ารูนนมทาเน่บันไดแรกก็ต้องรู้รูนนำกับถ้าเป็นยาชิบก็ต้องรู้รูนนำกันก็เรียกนำรูปเชยานรูนนก็คือร่างกายของเราเมื่อาันมีติรูไปดูไปมันไม่ใช่เรานะยมันเป็นวัตถุรูปธรรมก็เป็นเหมือนก็บี่กับโกงไปก็ต้นไม้เหมือนกับสัตว์สัตว์สัตว์ิ่นี้แหละ รวมนี้มีแค่รูกธรรมกนามธรรมแต่ทุกคนเราอยู่ตัวเองได้ไม่รู้จักตัวเองกลยเ<ม>ชื่อไหมว่าเราอยู่ตัวเองไม่รู้จักตัวเองเราไม่รู้มันคือไข่กระแด็เป็นของกาลเจริญเป็นของกูมือกู้หน้ากูมันเป็นของกลางาเดี๋ยวดินกระสุนดินนั่งกระสุดนนั่งลงกระสุนลงไฟกระสุนไฟแต่เราไม่เคยฝึก จ, จนกระทั่เกิดสติกเกิดปัญญามันก็ยึดเป็นกู้เลย ปูสวยปูรวยปูใะทีหนึ่งปูในเก่งที่สุดนะไม่มีใครเสับปูไอ้ปูนะสุดยอดไปทีหน่งก็ต้องยอมลโนะโอเลยไปทีหน่ก็ต้องเรียนรองคจุกจสมัยจิง่าในพวกเร า, าจริงว่ายักหน้าทำไมกันก็จริงไอ้เจ้าก็จะทมาคือคาจริงนี้มันไม่ใช่เรื่องของใครมันเรื่องของค น, ค น, นะนุ่นก่อนอะไรแล้เจ้าชี้เอาละอาพวกเราพูดง ว, ว่ารู้สึกเบอกับ เออแหลเอาไปได้ยินนู้ดีวัตปาสุกโตหรือก็านเขียนนั่นแ่ลนคนลอยที่ทุบก็ไม่รู้สึกตันชอบคิดก็นเยอะต่โทกอย่างเงี้ยเฮ้ยจริงว่ะวันนั้นไปนนเรียนมาขอโทษนะขอโทษแนตะ่พอเล่าด้วยตัวเองกํนนาลังถือหนังสือโน้ตยุคนั้นไปนเรียนวายเอมซีเอถ้าเป็นรุ่นมศเนะี่ยจะรู้ดีสมัยนั้นอยากเรียนเก่ง โดนเพลยราไปไหวเป็นทีเอสยามพัฒนานะถ้าเป็นเป็นโนแล้วยกว่าเพลยช่จ๊ไหมแต่อีเล็กโทนนี่ยสเต็ปสเต็ปหนึ่งสองสามเคยปเรียนแน่ไหมหมอไอเรียนเป็นนนแต่อย่างเจไล่ะจากเต้าหรืมาอยงี้เหนืขึ้นไปเหนือขึ้นไปเราจะมาโรจิคนไทยเรียนทดสอบ ตนนี้เรานั่งอยู่ในีรรมาชาติเป่นคนมีบุญมีวาสนาถ้าเราเป็นคนไทยทเนี่ยลองสาทุ้ยด้วยกันแบบนี้ดีแล้วดีแล้วที่เรามานั่งอยู่ตรยนีย้สาธุแล้วสาธุอย่างนี้สาธุไม่ใช่การบัญชาเพราเนี่ยจริงๆถ้าเราไม่มีบุญ่ะไม่มีครูสอนไม่ได้มาเจอกั้วนะบอกให้นี่เป็นอธิวาสนาลุ่มกันธรรมะสัมพันธ์กันนะดั้มถึงเวลาแล้วก็เป็นเรื่องที่เราเกิดเป็นมนุษย์ แล้วกานเกิดเป็นคนไทยมีประสบการณ์แล้วไมจใเ่ปุ่นสนานแบบทานสิ่งแบบทั่วๆไปมันมาถึงตัวภาวานาแล้วมันเจอได้ยินได้ฟังด้วยสติปัฏฐานแล้วมีโอกาสได้ฝึกเลอเรื่องเดียวเรื่องปกให้เป็นเข้าใจได้ปะ่ะมันชัดเจนอย่างนั้นอามาก่อนที่จะพาฝึกยมาขอเทสพวกเราแบบขอทดสอบพวกเราว่าแค่ระดับสังฆราชญาณ ม, มันมีกันอ่าถ้ามีจะได้โอนไหวกนะิจไหมมาเป็นสติปัฏฐาน ไม่ต้องมาเรียนเพิ่มต่อยอดเลยอะเอามือขึ้นมากายเห็นใช่ไหมลูกตาเราต้องกระทบกับรูปใช่ไหยธรรมชาติของลูกตาคนหรือศาสตร์สารศาสิร์ต่างๆมันต้องของคู่กันนีกระทบกับรูปนีไยแต่ส่วนใหญ่เราไม่ว่ามีสติบางทีก็เพลินกได้เห็นมือใช่ไหะลองทำตามเห็นไหม ให้ทำะไรก็ทำเหมือนเดเนนินเนี่ ย, ยจิตทาลงอย่างนี้เด่ดเนี่ยสติสัมจัยาณอย่างนี้แหละถ้าเป็นที่เล่าทำได้ไมล้นไม่ทำด้วยซบำไปคนวิจารณิสติการทำได้แล้มันก็ไม่ทำ เรไม่ต้องถาใช่ไหมหรเรื่องเลยันนำทำยังเป็นเด็กๆจะมีที่ฉีมานะะมากว่างนั่นเองน ะ, อะเอาเบอร์ลงกันแต่เดี๋ยวต้องดูนะตอนนี้มีลูกกระต่ายจะแม้ขอทดสอบนอะการเป็นแบบทดสอบขอที่จะต้องทำฐานาจริงๆเลนะการแบ่งการแบ่งการแบ่งการ แบ่ยอนอมร้งขอเองใช่ไม่ให้สอนตั้งแต่เบสิกเลยใช่ไหมคนนี้เขาขอหนะเพราะนั้นรับผิดชอบเลยอีกครั้งนึงใครที่มองไม่เห็นให้หามงให้มองให้เห็นให้ได้นะกำกำด้วยนะแย่แยด้วยนะกำกำด้วยนะแย่แยด้วยนะกทําด้วยนะ แ บ, บ่ๆด้วยนะอ่ะอพอคราวนี้จะไม่พูดบอกแล้วนะพัฒนานได้ไนแค่ เริ่มตามเองนะเห็นแอ้์เราเนี่ยมันจะมีความคิดและชอบทำตามใจเองลองทำตามที่เห็นนะขามวิทีนะทำตามที่เห็นนะส่วนใหญ่ที่ดีเนี่ยไม่ได้ทำําใจเจนกั๊เสือสองทัวมันไปก็มันเองใช่ไหม เภาษาธรรมะตัวนี้เร้ยอุปทานอุปทานก็จะได้ป่ะอย่างคนไม่ได้ป่วยเป็นมะเร็งแต่คิดว่าได้เป็นมะเร็งเลยมีความเชื่อเหมือนกับเองนะป่วยปเป็นมะเร็งอย่งนั้ที่ไม่เป็นแต่หาหมอหมอเขาได้อย่างสารแปลงไหมคิดไปก่อนอะทําตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงเนะอะลองดูเองสังเกตไน้ไหมตอนนี้ ทุกคนทุกท่านเรานั้นอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้เป็นปัจจุบันใช่ไหมไม่ได้คิดถึงบ้านถึงอดีตถึงอนาคตใช่ไหมและถามตอนนี้มีความทุกไหมก็ตอบเองาจหัวเองไม่มีความทุกก็ไปทำบ่อยๆซีอยู่ก็บตัวเองแบบนี้บ่อยกินข้าววันละสามเมื่ออาบน้ําวันสองครั้งอย่างน้อยฝึกจิตวันละครั้งเนี่ยเคยไหมห้านาทีสองนาทีเนี่ยทุกวันจนเป็นนิสัยย จัดตารางชีวิตด้วยนะการกรรมด้วยแบ๊วๆด้วยการกรรมด้วยเออเบ๊วได้แล้วแต่มีสติแล้วยมเสื้อสิงคโปร์แล้วมีสติแล้วนะอจดยากนนิดนึงตาดูตาดูนะในเราชี้นี่ไหนลูกตาต้องมือไปชี้นี่ลูกตานี่นะชัดเจนนะว่าเรารู้ว่าตัวเราลูกตาอยู่ ตาดูเอ็นะตาดูนะตุ้ตุ้งตุ้งตุ้ตุ้ตุ้ตุ้ตุ้ตุ้ตุ้ตุ้งตุ้ตุ้งตุ้งตุ้งตา้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้ต้งตุ้ง้งตุงตุ้ตุ้งตุ้งมุ้งต้งต้งงตตงต เออเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยมันไม่แค่ตาโดมันมีหูฝังมันจะโหมด้วยนะเมื่อกี้ที่คออุณหมออธิบายตามีหูจมผกนีดใจใจเลยก็ไอ้ใจไงใจมันมีจิตแล้วจิตมันมีวิญญาณแล้ววิญญาจะรับใช้ต่ตาหูจมูกแล้วก็เลีงไปหาสมองวิธีคิดอีกมันรู้ปุ๊บมันสามารถสรุปได้เลยว่าปูชอบกูไปชอบชอะไรมากวัก ค, คิดเรียนีู้สายด้ว ย, ยสาสั้นได้ไวมากเลย จะตัดสินคนเนี่ยมองปัดกตัดสินเลยก็ไบอกให้ฟังหูไว้หูเข้าใจว่าดูก็อย่าเพิ่งเชื่อได้ยินก็อย่าอุ้งเชื่อฟังหูไว้หูจะโดนสรุปอะไรนะเนี่ยพอสติมันไวจะเป็นสิ่งที่จริงจพอสติไวทุกอย่างมันจะถูกดูแบบสโลว์โมชั่นแต่สติท่านน้อยๆนะทุกอย่างจะไวเลย ไอผมอยกากได้คือใจมัะยเออใจชัดคำว่าเป็นสติชัจริงเออแล้วกรืองการมีสติเลนะวินาทีหนึงรู้ตั้งหนึ่งวินาทีเสีย้ยววินาทีรู้โอ้โหใครวิติทีทๆๆอย่างเงี้ยฝึกให้มันร้อมไวจนเป็นหวัทีิปฏิภัยใจชัดมนะั้ยเราจะรู้ทันความคิดรู้ทันอาการของกายของใจไอ้กายในเรื่องทบขขัง ทุกขันก็ไปฉีดตัวอุทาหาหมอที่มีกระบวนการทางการแพทอยู่ไปเรียนอนาโตมีนึกออกไหมเออแต่ด้วยนั้นมันทุกขังจิตนอย่างณถ้็เป็นตะวันตกก็เรียกจิตวิญญาทางตะวันตกแต่ของเรามันเป็นจิตติญภาวนาทางตะวันออกกทางอินเดียเออถ้าเป็นระบบสมองระบบประสาทอับยาไปเลยลูกกระทั่ทงกัูกกระทั่ทงรับสารแต่ถ้าป่วยทางจิตเนี่ย สติเป็นนามธรรมเหมือนกันมัได้แก้กันอยู่กระจายชัดไหมสติเป็นนามธรรมกรคิดก็เป็นนามธรรมอาลมณ์เป็นามรเพราะเราทุกสติสตินามธรรมจะไปจัดการเคลียร์กันนมธรรมเองกระจายชัดยังเดีวประเด็ี๋ยวเรามาลอยอีกเรีนนะลอยอีกเรีอันนี้สติสัมชาตญานะแค่เราดึงใจอยู่กับปัจจุบันเป็นสมถกรรมฐานนะแล้วสักพักมันะจายเป็นวิปัสสนากรรมฐาน เวลาฝึกจนกรทั่นมันเกิดการวางใจใสมดุลมันเป็นกลางระหว่างอุปทานกับอัมาทานอันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับการฝึกน้วยเทคนิคปฏิบัติเราทําจนชานาญต้องให้เวลาเราตัวเองนิดกระจายบ้า ม, มาลอยใจแม่มตอนนี้จะเก่งไหมจใจเราไม่ได้เพ่งไ ม, ไ, ไม่ได้จี้ไม่ได้ย่อไม่ได้เหองทุกข์บางครับมีไม่มีอาการแบบนี้ให้ทาํ า, ทาก็ทํากระทำเฉยเฉได้เล ย, เลย ก็ไเดินกระโดวาคเลและรู้สึกสบายเป็นปกติมีไหมเจอตําแหน่งนี้ไหมนี่เห็นกัะตั้เดียวล้วก็เลแล้วอ๋อ ถ้าหยุหนตาตาเยเห็นยังไงก็ทํำไปกบบนั้น น, ะนั่นคือสติระลึกได้เห็นได้ว่าสติสคือการระลึกไดนะ้และยิ่งบอกว่าเออหยุดหยุดด้วยทำทำด้วยตาดูมันก็ทำไม่ได้ไกลก็เลยโยนนิสโสมนัสิกาภาษาธรว่าโยนิสโสมนสิกาทำใจให้แยกคายคณีท่านนั่นตอนนี้มันก็ยิ่งปันนี้ลงไปต้องใช้ศรรีลสมาธิปัญญาอย่างมาก ใช่ไหมเคลือยู่ยกายฝึกนะ่ยเเป็นคนที่มั่นางนุ่มนวนประณีตเรต้องมีการซักซ้อมอย่างนีน่อความชำนาญกายนั่งกายเดินกายยืนกายเราชำนาญจะกินจะขับถ่ายชำนาญชำนาญที่จะได้ชีวิต่รนุ่มนวลมีระเบียบประณีตเมื่อเราเห็นตัวเองเจ้าระท่านว่าต้องเติอหัวจะหเท้าทุกลู คนวันนั้นจะเจอความสุขพอดีเห็นตัวเองนั่งาบุญจบแล้วนั้งเดินยืนนอนหรือเราจะรู้สึกมันเหมือนมัมีความสุขเลือบอยู่ทุกรูกองเลยเดยจะเกิดความทราบซรานได้ไหมเข้าใจไหมมันจะเกิดขึ้นเองแล้วตรงนี้เราต้องปฏิบัติให้เราได้สัมผัสมันจะจังไม่ดูนึกไหมก็ไม่ไดหาเรื่องทุกไปนอกตัวมันจะกลับมาทันที อย่างเมื่้หมอภูงศักดิ์เวลาพูดนะครับรสังเกตหรือก็ตอระดับสองคนที่พูดว่าสังเกตเรือคลื่นเสียงคลื่นเสียงของเขาก็พูดคลื่นเสียงก็ใช้คลื่นเสียงระดับการวางสีงระดับอย่างหมอเนี่ยวางหน้าวางตาอย่างนี้แล้วก็พูดยังจิตสมดุลในขณพูดมือนต e. อนน <nei, S 2> ี้มาพูด right. มันก <im> ็สังเกตตัวเองว่าเสียงใช้นาเสียงระดับไหนเรื่อยใช้คำพูดการวางหน้าวางตาอะไรเก็พวกเราเด่น แล้วก็เห็นตัวเองดีมเน่ยดีไห ม, ไหมอามาจะพาตบเรื่องความรู้สึกตัวนี้ครับคุณหนออันนี้เอาไปไมีแบบตดีมันบนั่งแ <c oughs> น่ใจผมก็สวยดียเลยครับอ า, ามาสมมติเด็กดูสมมตินะสมมติคือไม่จริสมมตนะินี่คือหัวข่าวประามาณกติคือโต้ได้ แต่เราสมมนะติโยมวันที่หวงพข่าวเนี่ยสมมติอะไราือหลวงพ่อข่ ข, ข, ข่าวใจกว้างกว้าอันนี้เป็นรูปแบบที่หลวงปู่เทียนจิสโผร่ท่านท่านได้ไปเรียนรู้มาจากครูบาอาจารย์แล้วท่านก็ประจุมจะมีครูบาอาจารย์ของท่านท่านเป็นข้าพอดีแล้ว ล, ล่องเรือฝั่งไทยกับฝั เสร็จแล้วมาอาจารยจันนั่งเรือมาก็คุยกันเรื่อสวรรค์เรื่องนรกเรื่องพุทเรื่องบาเรื่องทีปนาสเดี่ยววัสนะจะนั่งอาจารย์คนแรบอกว่าโอ้ยคุยกันทุันเธอหน่อไม่รู้ทำอะไรกให้ปฏิบัติเถอะไปาเวลาปฏิบัติเถอะคุยวิชาไรู้ร ขคะที oh days, ่อยู่มาวันหนึ้งหลวงพุทธิยาตะโกรเมียแในวันทอดกรถิ่นห้ากองโกรธให้นั่งรับแก่ดันมาถามว่าตถิ่นเนี่ยจะจ่ายว่าอย่างไรค่าหมอนลังค่าใช้จ่ายก็ให้เขาผิดชอบไปแล้วทูนี่มาถามตุกอีกทุ่มันไม่ใช่เหนื่อยสิแต่โกรธเมียพอตอนเย็นทอดถิ่นเสร็จเมียเดินมานั่งบอก ปวดข่อยใช่ไหมถ้าปวดข่อยถ้ามาวันนี้ทำบุญตกขถินไปนระกแนละ้วโอ้โหก็จะรูอนะเจ็บมากแล้วถูกเวลาตรง้วพ่อเถิคือใช่เลยว่าเราทำบุตรตะขถิ่นมาตั้งหลาี่ยังมีอารมณ์โกรธอยู่แสดงมันไม่ใช่แต่เลาตั้ตนี้นไปนะจะไปปฏิบัติธารมแต้พอไปปฏิบัตนะิถ้าหาไม่รู้อะไรเลยนะความโกรธไม่ลดลงไม่หายไปนะจะบวชเลยปฏิบัติจริงจังเลย นคือคนใจเด็ดคนใจเพชรพูดยังไงก็ทาอย่างนั้นเนีมันมันเบือตัวเองที่ว่าทําไมต้องโกรธบ่อนพอไปปฏิบัติท่านได้บัติอยู่สี่สิบแปดชั่วโมงเป็นข้อมูลที่ไปสืบประวัติสืบคนเรื่องนั้นคนอะไรปฏิบัติสองวันเข้าใจรู้สนาทั้งระบบเลยเออแค่สองวันเลยก็เลยบอกแม่ยวันสองวันสามวันเราพาคนปฏิบัติมันมีประโยชน์เนี่ยมันจะมีซักคนนะที่มันถึงเวลานล้ว แต่เหมือนพวกเราเองก็ยังได้ป่าอะไรก็ต้องมีมาหมดนะเพราะฉะนั้นค ว, ความโกรความโกรธความลงที่มันเหมีห่ยงดีนะเราจะต้องขอบคุณมันแน่นอนถ้าไอ้สิห่หล่านี้ทำทำให้เราได้มีการปฏิบัติธรรมบรรลุภูมิเที น, นั่นแหละนะเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณความพูดที่เกิดมาจากสติปัญญาผาพูด่ันด้จกใครแล้มาพูดพ ด, ดีไหมไดีไหมขอบคุณชีวิต ท, ทั้งชีวิต ท, ที่ทำให้เราได้มีโอกาสมาศึกษาปฏิบัติธรรมจนั้นเข้าถึง ตื่นะตัวเได้รนี้มาหลวงู่เทียนท่านไปแล้วบเนี่ยท่านไปท่านไปเดินโค้งท่าไว้ น, นวั่งจ้าจ้งเมื่อวาแต่ลาวพปฏิบัติทนมีอารมณ์เกิดขึ้นหอหะขอเราพาให้รู้จักก่อนไว้ที่ฝึกทนี่เอาสายมือาที่ว่าคำเนาะเรียกว่ารู้ไว้ใช่ไหาเสบอแไรนะเดียเรากลับไปไปจอดทิ้งไว้ตรงนี้นะจะไปตรงไหนแต่ถ้าได้เรียนรู้จะเกดิดมาดีขึ้นมาเอ้ยมันเป็นโอกาสอทองน่นาทีทองแลยเ่็ พิษบูดกว่าตั้งยังเป็นรูปแบบการฝึกการปฏิบัติเป็นการจําลองการเคลื่อนไหวเลยปกติเราเคลื่อนไหวทั้งวันทั้งเหน็แต่ว่าเราไม่มีโอกาสที่ได้ตามรู้ทางเราก็เลยมาตั้งใจที่จะเจตนาพิษบืดแป้งจะได้รู้ตามทางทานไหมเนี่ยระหว่างที่มันพิกตั้งเนี่ยเห็นมันไมรับรู้ได้ไหมไอ้ตัวที่รับรู้เรียกว่าสติะระลึกได้เวลางระลังขยัน ก, ก, กับเคลื่อนอยู่อ ย, ย้อนไนไหน แต่ตามไม่ต้องมองหลับตาม่รู้ได้เอ้ยมือเรากำลังยกอยู่ได้ไ่มเาใจไหมมาที่สะดือเป็ น, นรูปแบบหนึ่งในห้าวิธีนะที่สามารถสามารถเผยแก่ทั่วโลกเลยเพราะว่าการสมัคพุทธหรือว่าการบรรณาธิการสมคมก็ไม่ได้ว่าเนละนี่คือวิธีเคลื่อนไหวแบบรูปนะ้ มันมีอาาปารติมันมีพุทโธมีสัมมารหัสมีเนอะมีอะไรอันนี้มันเป็นหนึ่งในห้าวิธีพี่ออกไปไนทั่วโลกนะพี่เป็นสายตั้งแล้ไม่มีใครหลอกเรานะถึงอพันจะหลอกไม่น่า ก, กลัวเราตัวเองหลอกตัวเองไม่น่า ก, กลัวนะไม่หลอกให้กลาตัวตายลงให้โลกกลหลงเป็นทุกข์นน อ, อันนี้ม็นมาหลอกนะอันนี้เป็นการฝึกเรียนตามพ่อตัตงครัวใหญ่หลวงู้เียันบาร์ทำนี่หลวงพ่อเนในันบา ผมเรียนมาเราไปรรบรู้แบบเต็มใจก็เป็เชื่อนเราไม่เชื่อแล้วการมาสูบไม่เชื่อไม่ง่ายอไไงใช่เชี่ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้วันนี้เป็นครูบาอาจารย์วิธีการนี้ดีไม่ใช่แต่ถ้าเกิดวันกล้มันได้ผมคือทุกคนรแล้วโอเคนะขึ้นมานี้ไหรู้ไหมมืย่งนแล้วน่จิตใจรู้อยู่ในปัจจุบันหรือเปล่าไม่ได้อยู่กับวันคิดจะไม่สมผัสแล้วรู้สึกใช่ไหมอ่ะออกมา ความวิธีการเราต้องอันเส้นเลยออกแม่เราวิธีเข่าด้วยความเร็ ว, ว, วเวนี่ยฝึกไปเยอะตัวเนี้หลอกันไม่ได้จริงๆจะเล่าให้ฟังมีเพื่อนคุณหมอเนี่ยเพื่อนหมอองศ์เนี่ยชื่อนอกขออนุญาตเล่าได้ไหมได้นลเพราะคุณนกย้าให้เราอยู่แต่ต้องขออนุญาตเพื่อนคุณนกนี่ยเขาอกหัก ไปชอบพอกังผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเสร็จแล้วปากฏว่าเขาเนี่ยเป็นโรคาระาทเลยต้องไปหาหมอเป็นนักกิฐต่าวิยาเป็นอาจารย์ดังชื่ออาจารย์วรพิยานวรรลตที่บมืองไทยเนี่ปรากฏรักษาเท่าไหร่ให้ยาเท่าไหร่ไม่หายคุณนกเนี่ยไปหาลูกผู้เรียนลูกผู้เรียนกระโดดก็ออกมาจากความคิดมารู้สึกตัวเลยคุณนก ให้เราจะค่ยอยคิดมาเลยพอเขาเริ่มปรู้สึกปวดไม่ต้องไปกินยา ล, ยนะละหายจากโรคตอนนั้นไปถามหมอหมอถามว่าไปทำอะไรมาก็บอกว่าก็นี่เราผู้เรียนมาทำเองเนี่ยแล้วปรากฏจิตใจั น, นเปลี่ยนแปลงด้วยความคิดมันลดลงเนาะย้ขอพายย้โย้อนคนไทยจะไปแล้วเลย ทุ่เพื่อนหนึ่งเดสาธุแล้วสาธุแปลว่าอยู่แล <ถ hasta S 2> <ด ary S 1> ้วอยู่แล้วไปจับทุ่หนึ่งก็คืออาารย์พยายที่จะบอกถึงวิธีการปฏิบัติสองก็พยายามบอกตว่าใครที่ปฏิบัติแล้วก็มีผลเหตุที่ปฏิบัติเพราะอะไรเหรอไหมอันที่อีกมันมีตัวตนในเพื่อนคุณหมอเนี่ย คือเราสุบคนไม่ได้เราคนคนนี้มันมีตัวตนจริงแล้วระเด็นอาหารจริงๆกับเรื่องการยกมือสิบี่ยันบาทเนะี่ต่อมาก็คือลักษณะของชีวิตของเราทุกคนเคยเป็นเหมนะือนผมเรื่องอาหารไหมตอนอายุประมาณสามสิบห้าเรามองมาที่ตัวเรามันก็มีทุกอย่างที่เราต้องกาเรเียบอะแยแล้วอายุสามสิบห้าปี มีรถต่าหงหลายคันมีที่ต่างหลายแป่มีบ้านต่างหลายหลมีจํานวนมันอยู่พอสมควรแต่มันอิ่มแลม้กวกวม็มีความรู้สึกว่าวมันไม่มีความสุขณวันนั้นในยุค3ยุค5ปีไม่มีความสุขเลยมันรู้สึกอะไรอยู่คนเดียวกับการงานว่านรู้สึกสับสนรู้สึกมันขาดอะไรก็บอกไม่ได้จ็ได้ไปอานหนัสือเรื่องพุทธธรรมหนัสือของเจ้ า, จ า, าจคุณปอเปียะยิโตะ เมื่อก่อนหนังสือทำมนอยู่หลงมานสือโป่อยู่หน้ารเดี๋ยวเออแลวตอนหลังนั่นมาลุกหลังนหนังสือโปกับหนังสือพรมันอยู่ด้วยกันมัน <c oughs> อยู่ด้ยกันเลยจเ ส, ส็จปัญญาอสัตว์บอลจรแรกของเราที่ที่ทไปนะไปเจออยู่รู้สึกษารู้สึกตัวที่ผู้เก่ไปรัานหนังสือที่ทำมเป็นคนตั้งชื่อห้รู้สึกษารู้สึกตัวเดีอย่ผู้แ ก, ก่ วันไปเปิดร้านไปเปิดมีคอร์สแบบนั้นโอ้โหทำไมน้องสื้อแท้มาอยู่คู่สับซื้อปลอมต้องเจ็บจัดก็แล้วนั่งก็หันหน้าระหารื้อโปะว า, างคู่กันจริงนมาพูดตามประสบการณ์ในบทเรียนปรากฏต้องจืดต้าขายดีคราวนี้เราเองก็เคยอนะ่านเองสือสุญยาตายฟังเรื่องนั้ธรรมยตายธรรมกก็ตายจากพุทธะเลย บางครั้งจะเป็นสาวที่มีการเสร็จสิทธิพอมีทำได้มมก็ต้องรีบมาตอนเช้ากมุมชาสัมพันธ์จากภุเทียนตะวันออกหลวงพ่ อ, อ, อพปัญญาธรรมะอะไรคู่เนี่ยเราก็รู้สึกเราเสร็จแต่มันมีความรู้สึกวันเวลาอยู่คนเดียวมันไม่มีความสุขไปออกกาลังกายทําอะไรที่สังคมโลกก็ทำกันเช่น่วันหยุดไปเที่ยวทางไกลอะไรแบบนั้นไปเจอกับลูกชายที่ชิคาโก้อย่างไรหออบี กมมนะระจายมาหมอเบนเนปฏิบาร์เรเจอในะ ม, งเงนมนะเออรมีนะบังไม่มีอะไรที่มันจะฟอเ์พึ่งได้ไปเที่ยวแล้วบางทีไปนี่เหนื่อยนะมีความสุขดีพอกลับมานะเว้ยมันต้องลาพักร้อนไปอีกวันสําวันต้องพักบางทีก็ไปออกกำลังกายไปนอนแคมป์ปิ้งไปนอนดูดาวไปนอนดูพระอาทิตย์ขึ้นไป ต, ตก มันเหมือนเดิมเลยมันกบเกิดไปวันวันโดยทุกที่บ้านกบเกิดไปช้อปปิ้งมันไปที่เที่ยวหรือสินค้าโอท็อปเมืองหรือทททอโฆษณาที่นั่นที่นี่ที่โน่นคือทําการประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทะเลาะหนเพื่อจะได้ออกเดินทางเราก็ไปวันที่นี้เคยขับพารามมเตอร์มาโยบรู้จักพารามอเตอร์ไหมมีเครื่องอยู่ข้างหลังเนี่ยถ้าเราต้องวิ่งก็จา พอ่วมมันกลางมันก็ลอยเล่นอะไรไปบงไปอยู่วันเดียวอยู่ต้องแวะเล่นจะมีความสุขไม่ได้มีความสุขเลยขณะที่เล่นมันมีสมานที่มันก็ลืพักเดียวกรงมาแบเดิมเมื่อทีเพื่อนตกมาตายก็เลยมันเป็นแบบนั้นเมื่อที่มันขึ้นกลางน า, ง ก, านนนกันๆๆๆๆงฟางมันไปพันร่มหนูติ้วติติลงมาเหมือนกันตายกันทีเมื่อที่เอยเรา อนุรักษ์ไปเล่นเรือไปอยู่การทะเลไม่มีเสียงเครย่อนไม่มีควันประเภทชอบธรรมชาติเ <c oughs> มื่อแค่นั้นเมื่อแค่การหลบอารมณ์ไปเฉยๆกบเกลื่อนไปวันๆกลับมาบ้านทุกเหมือนเดิมเปจะปัญหาเก่าๆเป็นดินพ่อข้าวหมูเลยเป็นไหมเคยเจอไหมอารมณ์แบบนี้บันทึกกบเกลื่อนท่านเก็บกดท่านปล่อมตัวเองบางทีกับฟังเทศฟังทำไปรู้สึกเปิดไป มันไม่เข้าถึงความเป็นกลางพอถึงเข้าถึงความเป็นกลางมันต้องมีการปฏิ บ, บัติปรับจิตปรับใจปรับสมดุลระหว่างอัดต่เยืนขายโยกหรือ ท, ทําตัวเองให้ทุกข์ปับการมมาสึกษาอดการโยกหรือทำตัวเองมีความสุขเปเปลือยตัวเองซับเสินงเสน่ห์คายรูปอดกินเสียงเติมเป็นแต่ท้ายสุดมันก็ไมิใชั่ที่สุดของเทคโนโลยีเราซื้อมาแพงขนาดไหนก็เอาท้ายสุดก็คือมันไม่สุดสักทีเนี่ยต้องซื้ออย่างนั้นจนขยายเต็มบ้าน เทคโนโลยีขยาเทคโนโลยีน้อก mm hmm. ไหมไปเ็นไหมมันไม่ได้คำตอบตอนนี้คือมาฝึก14จัหวัดรู้สึกตัวเดินชมพมอยู่ตัวเองอ๋อได้คำตอบสักทีเลยก็ใจอ๋อเจ้าชายสิทธัตถ์จบ18ปริญญารวมแล้เจ้าชายจบ18ปริญญาปิกิจฉาคือหมอปยานคือขนันิกวิจิารคือโยคะขนันธิสายคือสังฆายา ภาษาศาสต์คือสุอนทรโมหาอีกหลายอาชีพที่เราใช้ชื่อเขาตรงๆเยอะแยะไปหมดยี่สิบแปดปริญญาได้จนไปยังมีวาตทุอย่างเดิมมาเทียบเคียงไปอ๋อพุทธศาสตร์นี่แต่ตรงไหนได้คือวิชาพุทธศาสตร์ทานก็ไปโน่นศีลก็ไปนี่แล้วมีวิธีปฏิบัติมากมายเรื่อยแล้กแก่มันอยู่ตรงไหนเพรดังนั้นเราก็ควรจะสรุปเหตุญาปัญญชนคนรุ่นใหม่จะไปเชื่อแบบ โอ้หลงองไงแบบประวัติศาสตร์เอาไม่เชื่อหรอกเอามาไม่เชื่อแป้แตพรุทธเจ้าแต่ตัวแบบนี้ความเชื่อเอามไม่เชื่อหรอกนี่ไปดูพระทศโลกดูอะไรแล้วมันบางๆเสื้อผ้าก็บางๆสั้นๆแต่ก็โชกกระเดือ่รูปั้นนี่มีกระเดือกห่นี่ต้องปิดมิดชิดเลยโชกกระเดือก็ม่ไดะแสดงว่าชุมันเปลี่ยนไปแล้วการห่มการอะไรแบบองคกรแบบอะไรสารพั์จะเหวียงปล่าห่มดองออะไรอ้สรพั์ แต่ปอมมากระหนก็ยังไม่รู้กันกพระไทยกสีพม่ากษีจีนกสีเอ้ยมันจะสีไหนกันแม่ในรวเน้ยนอะไหมของไทยทำยุทธศิลป์หนึ่งฝันการศิลป์หนี่งศิลปราชธานีศีอะไรกันต่ามันไม่ไเข้าถึงแก่เยาวชนเลยมันแก่ของคุณธรรมอยู่ตรงไหนนี่แหละไอ้ิ้มาค้นหา ที่ไหนได้เราไม่ได้ค้นหาแล้วพระเจ้าค้นหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ค้หบบ น, นคหาเพียง่เราเดินตามรอยเชิดรอยศรัทธาสักนิด น, ะนึงดันันามศรัทธาสามัยุทธ์นนไม่ใชศรัทธาที่ปยุทธ์วิมยโยกนะพอวันนี้ก็ไหวเต็มที่ทพอวันนี้สุดกลายเป็นโผผูไออ้ไม่เอาไม่ปฏิบัติแล้อันนั้นแสดงว่าเราหวาดใจวิพนะีจริงไหมมจริงไหมเพราะฉะนั้นต้องศรัทธาคือจะว่าศรัทธาสามยุมคือรู้สึกตัวอพาพุทธิ์ยินรู้สึกตั ว, ตวรู้สึกตัวรู้สึกตัวผาทำแบบ เออเบสิคอีเทมอาอออกมาใรู้สึกปวดตาดูใช่ไหมนี่แบบเนะแบสบิคเลยนะแบบพื้นฐานเลยตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บ ไหวเลยสองคนเนี่ไหวไหวไหมหลให้คนก็ไหวเออเข้าใจก้อนสติก่ะเข้าใจว่าไงระลึกได้ระลึกได้สติในวันระลึกได้สัญญาณเือรู้ตัวทั่ความส่วนเป็นรู้ตรงไหนก็ฉลาดตรงนั้นรู้กายฉลาดเรื่องกายใช่ป่ะรู้ใจอยฉลาดกใจมีจิตจิตมีวิญญาได้ห็นรายละอียดวงจรตรงนี้นเออ ในประเด็นให้เวลาเราตัวเองเนี่อย่าไปทำในอื่นในเวลาล่วงไปเพื่อล่วงไปยังกดสติสัญญาจนญระทัเราเจริญสุขที่แท้จริงสุขมีสองแบบคืออารมิสุกอีกตัวคือพิรามิสุกและคำว่าสุขเนี่ยจะเริยนนะเรายิ่งแสบหนามเท่าไหร่นีเราก็จะทุกไปตามนี้หัวเลาะดัเท่าไหร่ร้องให้ดำเท่าไหร่ปกติมากเท่าไหร่คุณจะเชื่อปกติสุขอะไรนแต่ก็อย่างจริงจ แต่ให้จุด น, นี้เป็นจุดที่ภาวะผู้ดูที่ดูและจะฉลาดเฉ ล, ลียวแปแว่าปัญญาุ้ทธมันเกิดแน่นอนทุดเกิดขึ้นมาแน่นอนถามผพูดอย่างนี้จะผิดก็ผิดจะ ถ, ถูกถูกมันเรื่องอออาา <S <S ของอัตถามาเข้าใจตรงนี้กันนะมามาเบสิกแบบแนวเคลื่อนไหขอูผู้เรียนไังีทีมมือซ้ายมือขวาคนที่บอกครับนะเนี่ยมาพูดในความปรารถนาดีเฉในการสอนตัวเองที่พูดจะไม่ได้สอนโยมเลยเข้าใจไ เป็การบอกตัวเองสอบตัวเองการที่มาสั่งตัวเองเอย่างนะี้ยนะเมื่อมาสั่งตัวเองได้ก็สอนตัวเองได้ก็ให้อสอนกันมักรียนรู้แบบให้มาบูแบบสมมติเป็นหัวข้อนะเราสัมผัสอยู่กายสัมผัสให้เรานึกถึงว่าเวลาเราเด็กๆหรือเราสอนเด็กๆ แล้วม่ได้ใช้กรสามพูดจริงอ่ะเด็กอยากรู้ว่ารู้อะไรเดี๋ยวเอาไม้ไปแยงไฟช้อนปลักนี่ว่ามันเข็ดเลยนะไอ้นี่อะไรวะเนี่ยมันเอามือไปแย่โอ้ยมันตางออกเข็ดมันมันไม่กล้ายแย่เลยเดี๋ยวะอันนี้ตัวอะไรเนีย่ยไปจับเล่นอ่ะมดหมดกัดมันมันไม่กลายอยู่เลยนี่คือการเรียนรู้จักของจริงจริงแบว่าเราจริงได สัมผัสใจการสัมผัสเราอยากรู้ว่ารักรักรูกอย่างนี้น ไ, นไปก่อนเลยไม่ต้องบอกเลิอกอยู่เลิอกลอยู่รักคุณรักคุณไม่ต้องบอกสัมผัสเลยไอตัวสัมผัสที่นี่แหละเป็นตัวที่เป็นศัตธรรลความจริงอยากรู้สัมผัสมันไปเลยเขาดา่าเขาสะบัดไปเลยไอคนนี้ไม่ใช่พี่เรารู้แล้ว บอองสามตะกตาทไม่ถูกรู้รู้จักมันตอนหน้าบกรับหลังตะโกรู้จักมัตอนหน้าก็ดีรับหลังก็ดีเออวิตา อยุดกันใช้เวลาไปต่อชัมมอ่วโมงันนะครับจะให้เวลามากินอีกกีนาทีให้โจเป็นคนกาหนดสมาบัตกหนดนี่แค่เริ่มต้นเบสิคเบสิคการกำหนดนี่กินอะไีใช่อีกนาทีให้เวลามากินกนาทีอกีกครึ่งมอีกคงชั่วโ ม, มง อขอบคุณสาธุเรือว่าแค่ทีพอใจโหนีทั้งคือโงมงเอืมก่อนที่จะพา่านเอามาเป็ก น, นิด น, นึงเปรกนีดในใจเราตรงนี้สงสัยอะไรไหมมีความสงสัยหรืออยากถามบ้างเยอย่าวันนั้นจเจอกันถามเลยโยมาถามจำคำถามเดว่องน้ไหม วันนั้นถามว่าอะไรวิปัสสนาสมาธิเทาสำคัญกว่าสมาธิวิัสนาใช่โยมถามาตั้าแต่เมื่อไหรโยมถาม่มามามามที่อสมาธิเด็ดฮะมันเกิดก่อนพรเจ้าละฟังไหมที่อรหตกระดาบบสอนอุทกกดาษบบสอ น, น, นได้สมาบัดเจ็ดสมาบัดแปดฝึกสมาธิ <S S ใ, ในสมาธิจะมีความสุขมีความสงบ จะมี ล, ลักษณะที่เรียกว่าแนววิตกวิจาร์ีิดีสุขเกิดขึ้นสุกนี้มันเป็นระลังที่ระดับชั้นหนึ่งเลยทฤษฎีเขาเา ไ, ว, ไว้ที่จำจำด้วยสมองเอามาบอกเกิดจากสมาธิแล้วได้สุดจำได้ไหม อ, อาจารย์ให้ไปช่วยกันสอนแล้วบอเธอเรียนจบหมดแล้วเรียสมาธิ เราไม่มีอะไรจะสอนแล้วนะเรียนหมดแ้่ความรู so ้ที่เรามีปรากฏเจ้าบอกยังค so ิดถึงพิมพายอะไรคิดถึงราหุ่นอะคิดถ hey, ึงการเป็นกษัตริย์อยู่เลยเอ้ยมันไม่ใช่มันยังมีความทุกข์จากการคิดอยู่เลยเพราะฉะนั้นแม่ขอรก็เลยเดินออกมาจากท่านชื่อท่านอะไรสุกรัตนวัฒเอ้ยช่างท่านอะไรท่านนั้นชื่อลืชื่อแล้วหนูเขีไม่ แล้วพอเดินมาเดินมาเดิ น, ดนญญญปรากว่าไปได้ยินเรื่องทางสามสายตึ่ไปจะขาดย้อนไปแล้วเสียงดังไม่เพีพยงผีดสามสายกีต้าร์กีต้าร์สามสายในือถึงนี้อะไรถ้าเสียงย้อนมันก็ดังยานไม่เพียงแต่ถ้าตื่มันก็ขาดให้ความพอดีก็บอกว่าเวดา บางคตินะจะบอกว่าเทวดาแสดงนิมิตออกมาบางทีก็บอกเรือพายอาจารย์เราสองลูกศิษย์การเล่นดนตรีถือว่างไม่รู้กันแต่พูดเรื่องพินสามสายนะพี่จเจ้าก็นเลยเออลงไปโงสนานสมน้ำสมน้ำเนีที่อะไรฝังไปนั่งในรังชะลาสมน้าเสร็จก็ขึ้นมา ก, กำลังสบายนอะนนาฬสุยดาวข้าวพถวายกัน นะก็เลยขอนั่งบนเก้าสุดท้ายบันเพนเดือนหคือ้าห้าขั้นยามสามปิลกาและเป็นวันพุธวันนะั้นไปนั่งบนเก้สุดท้ายแล้วปรากฏเกิดชั้นหนึ่งขึ้นมานะเกิดชั้นสองขึ้นมาเกิดชั้นสามเกิดนะปฐมมาชานนะใช่ไหมทุติตมาชานไล่ะไรแล้วลท้ายสุดเกิดอะไรก็ดี แต่เคเรียนพุทธประวัติหมตอนนรยองก็สอนนหเรื่องอียสสี่ไปด้วยที่แรกเกิดภูเพนิวารสันวัิยานใช่หเกิดอะไรอีกคุณบอก่าจำแม่นไจุตูปปอะไรนะจุตูปะยจูตูปิานะอะไรอีกอสวกปิยานดูยอมายังําได้นักสอนจะจแม่นมากเลยไหนใครเคยรู้มั้ โอเคภาษาวุ <c oughs> ติยานจูตุพยานอาสะพยานใครเคยรู้นะมีคนเคยศึกษาคเคยรู้แล้วเรารู้ไหม <c oughs> เราทํางานมันมีสมาธิเกิดขึ้นมาเป็นระดับที่เรียกว่าสมาธิเริ่มต้นเรียกว่าอันนันตกณห์สมาธิเคยรู้แไหมแต่พวกเรามีสมาธิได้อยู่ยนะแล้วสมาธิที่เหมาะกับการทํางานเคยได้ยินไหม คุณมอไคยได้ยินไหมเคยเพราะฉะนั้นการรู้ภาษาเ น, นี่ยนะเป็นภาษาส ổ, ูงซึ่งมันมางความจริงไปเลยเยอะตอนนี้โยมไม่ต้องไปรู้อะไรเลยความรู้สึกตัวเราพูดเลยควรู้สึกตัวไอ้ตัวนี้เป็นวิบัติปัจจ า, า, านัติเอะเลยโยมอกอนนี้ว่ากระเทากันเนี่ยรู้อะไรู้ไหเนี่ยเป็นวิปัจจานะเป็นปัญญาเลยเบืิกงต้เลยไม่ต้องจะหกเนาะจะหกเนาะ มาบอก ม, ออมาเดินเนี่ยมาทำสมาธิเข้าถึงปิติผลลุกนะมาสังนนะ่งให้ทำผลลุกไนดะ้เนี่ยเห็นยังเห็นไหมที่มาต้องทําอย่างเงี้ยเพราะอะไรที่มาต้องทำอย่างเนี้ยเพาะอะไ ร, ยไรโย่พูดถึงเรื่องสมาธิเงก็งปิติแล้วก็ต้องรู้สิปิติ ปีติสุขมีอะไรบ้างผลลุ่มผลฟองหูตาไหลตัวทองเบารอยอะไรอย่างี้ยแต่างได้ไหมถ้ามาในเวลาถ้าตั้งลักษณะของการพูดอย่างเนี้ยมันจะตั้งจิตเป็นบนอยู่เสมอปรารถนาได้อยู่เสมอไม่โกหกตัวเองอยู่เสมอนอะไหมตอนั้นมาพูดพูดจากประสบการณ์ที่ปฏิบัติอยู่เสมอเพนแะกมันเปนเพื่อปฏิบัติโยนทําบนโยงก็ต้องสัมผัสกับปีติสุข อย่างคุณหมอปีชาเนะี่มาเห็นอาหารในถาดนี้แล้วยืดไปในอดีตนีน่เนสองวันก่อนบวมมาตั้งใจเลยนะจะตัดแค่ชิ้นเดียวแตนะ่อีกชิ้นท้อทิ้งไปมันนี้งซอมทิ้นไปมันนิ่งพอมันนี่งมันเอาชิ้นแล้วก็แรก พอตักมาเสษร์ฟโอ้อร่อยเป็นคนมีทาบ้านไว้ทกำกับข้าวเนี่ยรสชาติธรรมชาติมากเลยเลยบอกจันเพลเฮกหน่อยเฮกหน่อยเนี่ยจะแม่จำได้ยืนยันอยู่ยากหน้าเรื่อมันสัมผัสกันสัมผัสกันอ mm hmm. คนนี้ก็ทำใจพอดีอรสชาติรสชาติเป็นรสชาติกลางจะรู้อบอกแล้วมีการ แองแต่ว like an so an like like ่าเล็กน้อยมันจับผาถึงบุญในใจคนทำใจดีเราก็เคียดแค่พูดวันนี่นะอาจารย์ของผมเรื่องบรทะเบีรมวมีอารมณ์ดีกันนะกับข้าไหม่อยตามน้นงี่น้องี้ก็เพลเวลาเครียดถึงรถจักเลยได้บอกไหมคนเราเวลาเครียดเครียดมากๆคือสารที่เป็นหลังมาสารอะไรบอกว่า คอติซอลแบบเวลาเพียบมากๆคอติซอลเวลาดีใจมากๆรบบความสุขมรกๆอดกะอดอรีนาลีลนหลั่งเจ็บเวลากอดมากๆอะดีนาเรนหล่ะมันมันไปโยนหาสารเคมีในตัวเวลาเรมีความสุขอะดีนาเรีนก็ต้องหลัง่งแล้วคนที่มีใจบุญก็เพราะอะดีนาเรียนจะหลั่งอยู่สเสมอถึงแม่ถึงหม ชื่อลรวิมาสั์เกเรประเด็นี่เป็นพุ้ธท่านทยาศาสตรเนี่ยพุทท่านศิลศาสตร์โมลงองา์ดนั่นดีอยู่มันมีหลักวิจารจับเลยอย่างั้ม่เมื่อใจมีกวามร้เท่ากับตอนนี้เรายามนะคิดอดีตคิดอนาคตแบ่สนใจมันมีอะไรที่สำคัญขนาดไหก็เอาวางวางไว้ก่อนไม่ได้ทิ้งเดี๋ยวเราไปจับไปต่อไปอาทิตยกว่าตั้งยกขึ้น ที่สะดือใช้ใต้ขึ้นไปเนี่ยใหม่ๆรถตุกในรูปแบบนั้นเดี๋ยวต้องถูกไปถูกไปทิ้งรูปแบบปัจจุบั้า็จะไม่เนี่ยคือรูปแบบมีการยกมือ14จังหวัด อ, อันนี้อยู่ในโม่แลสองแยกประเภทพิกษุ เธอจงทำความดด ร, มารนนามาู้สึกตัวทุกควา ม, ดดมในการเดินก้าวไปข้างหน้าถอยมาหลังภิกษุเธอจงทำความรู้สึกตัวทุพร้อมในการแ ล, ล้าซ้ายแลด้านขะมีในพระสูตรนะภิกษุเธอจงทําความรู้สึกตัวทุกร้อมในการขูดเหยียดเคลื่อนไหวใวัฒนากาแต่เป็นของมหาจุฬาเลื่อสีฟ้าน่าจะมีขูดเข้าและเหียดออกเลแต่เป็นของ เพามันปุ่ดมันมีตะยุคูเข้ามาให้เหยียนออกตัดทิ้งต่ก็ไม่รูปกบบมันตอบรูปแบบยังไงสองเล่นไม่เหมือนกันผสมสูตรเดียวกันแต่แปลงเห็นอย่างอื่นมาเปลี่ยนว่าในรูปแบบแต่เพราะว่าใจของเรามันไม่ค่อยมีสติแล้วพอเราเคลื่อนไหวทั้งวันแต่ว่ามันตามรู้วิธีจริงป่จริงป่ะหมอว่าจริงป่ะเขาพิจารว่าจริงป่มันเคลื่อนไหวทั้งวันเวลาตื่นยันหลับแต่ว่าสติมัน มันตางรู้ไม่ทางั้นเราจึงมาเรียกว่าติลเข้มมันหน่ตั้งใจติลเข้มมันใสรูปแบบไปเลยวแล้วใจมันเหลวไหลยนะ ใ, ใจแบบไหลแบบไหลแบบไหลกเรียกว่าหลงไหลแบบไห ล, ลงลืมลืมเรื่องลืมตัวใจก็ใช่ใชแล้วก็เดี๋ยวยาวเลยนะมันจะกลับมาได้อีกทีอ่ะเฮ้ยลืมนง ล, ลืมตัวไปเปรียบเหมือนจะคอนกรีตเนี่ยรู้จักคอนกรีตใช่ไหมล่ะมีหินมีทรายมีโอนใช่มผสมน้นเข้าไปมันเหลวไหลไ สัดส่วนเี่มันก็เรียกอหนึ่งต่อสองต่อสี่หตอสองต่อสามต่อสามต่อห้าอแบบนี้มันผสมแล้มันเหลวแล้วมันไหลต้องมีแบบไม่ยกมเราจะเทสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแปดเหลี่ยมสามไว้ต้องมีแบบบ้ามีแบบบมั่นใจที่เหลวหลก็ต้องมีแบบใช่ไหมมีแบบกายมีแบบเวน่ามีแบบจิตมีแบบดูธรรมรรชาติทําอะไรก็ต้องมีแบบใช่ไมีแบบเดินจงกรมทึกขันกันก่อนเดี๋ยวว่าจิตตั้งมั่นมีสมาธิมันมีกําลังถอแบบรองเลย ไม่เกี่ยวกับชุดไม่เกี่ยวกับสถานที่ไม่เกี่ยวกับรูปแบบไม่เกี่ยวกับเวลาตรงไหนก็ใช่ผมนั่นแหละพอมันใจเข้มแข็งมีสีมีสมาธิมีปัญญามีความรู้สึกตัวที่ทั่วพร้อมอันนี้คือความเป็นเองที่เราต้องสร้างไปให้ถึงเนาะเป็นะกำลังๆๆมันนะยิ่งพูดยิ่งมันยิ่งโยงมันไปกับรา่างเดินะแบบแปบบ๊แบๆเวลาเดินไปเดินไป ได้อยากให้นายมาลุกข้ามตัวก็เป็นี่ยนหไปทั้งหลายแหล่ตามมันก็แก๊งก็แก๊ก็แก๊งกแก๊งก็แก๊งมากมาพูดเลยไม่เคยไปทำอะไรก็แก๊งแก๊งอ่างนี้ได้เดียวโอ้ยพวกนั้นรอลูกค้าวันๆเมื่อไหร่ลูกค้าจะเข้าร้านอะอปใหญ่หรือเป่ามันมาหวังผลมันไหมหวังไหเห็นได้คนไทยแล้วทั้งคนสองคนรู้เรื่องนี้โอ้โหที่นี่มันจะเป็นความบ้านคงของคนไทย อยู่กันแดดอยู่เย็นเอ็นสูให้พลังโดยคนไทยชมรม่นระดับของชุมชนพุ่นแร้มีสมเด็จเต่นตัวเขามีเมตตามีทุณามีเมตตเบกกายมีระดับของการเชื่อมโยงสู่สังคมชาทยบว่าทุกคนคือคนคนเดียวกันรักกันเมตตากันคนรักตัวเองเป็นก็รักคนอื่นเป็นจริงรักตัวเองรักหรอกใจได้ก็บอกงคนอื่นได้ันเดียวกันมันเมตตาสงสารไม่เ็ว่าสงสารคนอนเวลาปฏิบันจะสงสารเพืได้ยะม เวลาตอน้นนถึงอารมณ์เลยนะเจ้าม่ยรอดตายได้เฉียดตายได้ตรงนั้นน่ยม่วยขอโทษขอโทษอย่างเจ้าบีนโดนตีเี้ยเจ้าบีนลูกอัตมาได้ถึงตีอยากฟังไหมด้วยความรักรู้แบบโลกโลกต้องการให้ได้หดังใจแต่จะสอนเ่องอนิสัยแล้วตั้งแต่ลูกวันเกิดจะพูดถึงสองสามไม่ได้ไปในเช้าเราลูกนั่นรถไปกันข้างและดำเนิน เดิทะเบียนเดือนเจ็ดห้าอันนี้กอไก่อันนี้ขอไข่อยนะู่นานๆแล้วอี้สุดๆมาไปตามรถเห็นอะไรแนละ้วพาสอนไปแม่ก็ทํางานธนาคารสิทำงานธนาคารต้องไปรับจานยอไปถึงบ้านฉางเนี่ยถูกการสอนรู้วันหยุดจะไปทำงานธนาคารอสิจะทำงานวันสามเนี่ยแต่เดี๋ยนี้ไม่ต้องเดี๋ยวนี้แบกเราเรียกเจ็งดานาเนะตัวโลกทีนี้ เจ้าบีมก็พูดไม่ได้คือยี่สิบเก้าแล้วสามสิบโยนเราพูดยี่สิบเก้าแลสามสิบย่สเก้าสามสิทุกคนเราพูดยี่สิบเก้าสามสิบแต่เจ้าบีมเนี่ยหมอบีมเ่ะในนี้หมอวิชาได้เจอแนละ้วนี่ก็ได้เจอคนก็ได้เจอมันพูดไม่ได้ยี่ส30เก้าสมสิบวยาบอกยี่บเก้าสามสิบยี่เก้าสามสิบยี่เก้าสามสิบมันพูดได้ยี่สิบเก้ายี่สิบยี่สิบเก้ายี่สิบ จะต้องกกำลังออกได้ก็ ย, ยิ่ส่วนคนต่อนี่งอหูงอหูอย่างนั้นฮอลลหูงอหูไม่ได้งอหูงอหูมนควาใจร้อนของเราเจากระยองไปถึงบ้านฉางมันสี่สิบกิโลมันยี่สิบเก้ายี่สิบี่เก้ายี่สิบจะถึงจะถึงธนาคารอยู่แล้วจะถึงรับแม่แล้วอะไรนะ ยี่เก้ายี่เก้ายี่สิบไอ้เบอซ้ายมานะครเพี้ยถ้าเป็นขับรถที่นี่ขาคง โ, โดนมือขวาแนะไม่โดนเบอรซ้ายรอยเนี่ยฝังใจมันทรมานมากประมาณนึกว่ามันไม่มีรอยนะ่าจะใจลอยมีรอยเลยรอยระรอยแสบรอยได้รอยเสียรอยสุกรอยทุกชีวิตมัผ่านมันมีรอยรอยช้ำรอยถูกชนนะยับเยินยับเยินเราเนี่ยก็ไม่มีรอย พอไปยกหมู่สิบสีจังหวะเท่านั้นนะโยมโอ้โหความที่มันพรั่งโปรลอยอดีลอยตีลูกโอยสงสารอยขอโทษขอโทษพูดกคำมาขอโทษอยู่ในใจเคยเป็นละโยมมันสงสารตัวเองได้สงสารคนอื่นเลยไอ้ที่เคยทามณนลมันถูกลื่นไปเละไงเออใช้กันก็ดี เพะนเวลาเราอยู่กับปัจจุบันเป็นการตัดกรรมนะยมเราอยู่กับความเป็นจริงเนี่ยตัดกรรมเมื่อไรอยู่กับความคิดใช้กรรมเรียบร้ อ, รอยเลยโยงเพราะทุกคนมีปรอยมืดของตัวเองจะเป็นปมได้ของตัวเองที่คนอื่นไม่รู้มจะมีถ้าเราไม่อยู่กับปัจจุบันตัวนี้นเจ็บปวดมากใช้กรรมจนตายแล้วนะพเว่อร์ตายอร่อยด้วยนอกนไง เพรนั้นเราจึงต้องล้างชำรนะอยู่กับปัจจุบันเท่า น, นั้นจิตของเรามันผลวิบูุรผนจากกลมเวกลมกลางวิบากตั้งแต่ปางเลยนะเพราะฉะนั้นไอ้ภพชาติานะมันไม่ได้หมายถึงว่าเกิดข้อแม่แล้วตายจากข้อแม่จาไว้นะชาติที่นี้คือมันเกิดในความคิดทุกๆ ก, กันวันนี้กี่พพกี่ชาติอะไรอย่างไปในโลกกี่ครนะั้ง ไปสวรรค์กี่คนเราไนมะ่แนจริงไว้หรือไมรู้ท่ารู้ทานมันเท่าไรมันออกมาได้จากพบโผูก็ไมยอาบา ย, ยาบบานโพมเทวังโคสุขฏิโพก็ไมจะนั่งไปพุทธโพปกติทรรรู้สึกตัวตัวนั้นในตัวอย่างเชวนี้ปกติรู้สึกตัวใจโลกโลกเาว่ามีการปว่างประยู่โลกความเป็นจริงกันนี้ที่นี่ มันจะเกิดความรู้สึกออเนะเจอจปาวาที่เราสมดุลสิเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนาการปรับสมดุลนั่นนี่เหมือนกับเราใช้รถมาเนี่ยรถเนี่ยใช้มาต้องเข้าศูนย์ไหมตั้งศูนย์ถูวร้อมยนเช็คถ่ายใมันเคลื่อนไหมมันชีวิตเราใช้มาขนาดี้ทำไมไม่ตั้งศูนย์มอตอร์เบนท์ซเนท์ไดีใจหัวล้ะล่ายิ้มแป้ทุกใจดหน้าบหน้าเบื่งแห้งก็เสีเวลาเั่นนเนาะ แเราก็แนะนํากันเรื่องรูปแบบของการฝึกจิตให้มันมั่นคงเข้มแข็งเราวก็เทียมกันคืออิ่ม อ, อกอิ่มใจเกิดสภาวพที่เราจิตผ่องใสแห่งกายภายในใจของเรามีความผ่องใสเราเอนมันถ้าได้สัมผัสทันมาเราจะรู้นี่คือที่อยู่ที่เพื่มของจิตเราที่ใสๆธรรมชาติธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าอยากรู้ เราก็ต้องวัดมันด้วยรูยปแบบ14ช่วังเนี่ยหนึ่งวันสองวันสามวันหรือเ <c oughs> นีกลไกมันจะเป็นยังไงจิตของเราจะแรงอะไรออกมาอย่ Nh างเช่นอีกวันสองวันในที่เนี่จยจะในสัชิกในวันที่ยี่สบสองตอนกลางคืนของที่นุ่นตอนเช้าออหรือเนี้ยประมาณหกโมงเช้าถึงตีสี่กระที่นุน่นกร ะ, ะที่หกหกโมงเย็นถึงตีสี่ของเราก็าเป็นตอนกลางวัน เอามาันไปจะปฏิบัติที่เน้นต้องวันเลยใครจะมาก็มาที่ยี่บสองนะปฏิบัติให้หลวพอเขาเขียกับทางวัดในประเทศไทยที่รววมตัวปฏิบัติเนาะเน้นก็ว่าช่วงอยูดตสามเดือนเนี่ยอยากเห็นพวกเราเนะี่ยมาที่นี่เพราะว่าเห็นความสําคัญของชีวิตเราไม่ต้องกลัวถูกหอกแล้วมัมาหยอดเหรียญให้การมาในนั้นนะบอกให้นะมาฟรีเรียนตรีนะมาเลยมากดมาหักทีนงจนกระทั่งเรารู้เอ๊น จิตใจเรามันตื่นตัวมีกําลังมันถ้กลายมันแก่แต่ใจยังหนุ่มใจมันไม่แก่แต่จะนั่งหมอพิชาใจแก่แล้วกายแก่แต่ใจยังรู้สึกมันยังกระชุ่มกระชวยหนุ่มเลเป็นปกติดีไหมทุกคนทุกท่านมีไหมวันคืนร่วงไปแต่ว่าใจมันยังมีความรู้สึกมันปกติสุขแต่ร่างกายก็เสือเ่อมไปตามไปเครื่องช่วยหอย่างเป็นบอก จวละมืงเส้นเ <ะ S 2> จทาที ร, ร, ระดีนลูกตายไปลูกเดินออกนะแล้วมันก็เป็นรหัสนะเป็นสัญลักษณ์หนึ่งใช่ป่วพูดมา ก, กไม่ดีนะก็ได้ไดกลับมารู้สึกตัวกับพวกเราเปเรียนจากยมบทจากนั่นเป็นยืนไปยืน เมื่อกี้เรา้นัจน เ, เนี่ยแล้ก็บอกว่าเนี่นะอียบอกว่อเราเนี่นนยนั่งเดินยนเนี่มับังความทุกกายนะถ้าเราไปแบบนั้นอยากเห็นความทุกข์ของร่างกายเรากายทุกข์ใจไม่ทรมายนะแล้วเราก็ต้องลองอยู่รีบลดซ้ำๆจิตของเรานไม่ชอบความซัำเนะีย มันจะมีนิสัยที่เบื่อใจของว่าทุกคนถ้าเราเบื่อวัาถุกเนี่ยมันจะต้องหาของใหม่ต้องเสียเงินเสียทองใช่ไหมแต่การที่เห็นทุกแล้วเบื่อไหนในความทุกเนี่ยมันกลายเป็นกา ร, การปล่อยวางกันดูแล้วเบืออ่อจริงนะที่บ่นั่งเลยยอจริงงร้องโงเปอรช่วยเหลือผ่อนทยเปท้าแก้ไขหิวก็ต้องกินข้าวยันมาบอกเลยโคตรเบือ่อเลยอยู่ที่นี่โคตรเบือ่อเลยเบืออเบ่อทำไมรูร้ไหม ต้องตกอยู่ในจุดที่เรียกว่าอาหารเละบริยยัตุทุกทุกบวนกันอาหารเดินบาาไม่ได้ที่นี่นะตื่นเช้ามาก็ต้องดูตู้เย็นมันมี อ, อะไรมนาะมันมนีนี่เ น, นี่ก็ต้องบํารุงอาหารนี่ไงให้เป็นธรรมชาติที่สุดแล้วก็ไม่เกิดก่เลสตัณหาว่าเรารสชาติแบบไหนที่เราชอบเราพอใจเองเนี่ยมันก็ต้องระมัดระวังให้จิตปกติต่างหน้านขนไกว ขอหลุดตาขอถองตันมาทําอะไรก็ต้องตุ๋นให้เปื่อยที่สุดข้าวต้องเป็นเจ๊กอะอยวกินแล้วก็เกินได้เลยแต่ต้มเนื้อก็ต้องเปื่อยเลยต้มปลาต้องเปื่อยเลยต้มถังต้องเปื่อยเลยมันก็ต้องมีแล้วแต่ของแต่ละคนเองเข้านั้เกี่ยวข้องแล้วจะแล้วนี้เนี่ยของท่านคือหรือว่าอาหารท่านคือหรือว่าตามผ่าวินัยท่านคือไม่ได้เงี้ยหรือเป็นยาอะไรลิ้ต้องเจวันอเงี้ยโอ้โหมันต้องมีระเบียบวินัยทคุณบอก <c oughs> มันไม่ใช่อยูฟลอยนะ <Okay. S 2> เห็นอะไรก็มาทํากินแบบโล่มากเพราะตัดออกมาต้องตักแบบประจวบพิจารณาไงตักด้กวยความระมัดระวังมาใส่ปากวาง <Yeah. S 2> ชอ้อนมันไม่ใช่มานั่งยกมือเดินยองงลมแล้วนะครับเคลือ่อนไหวช้อนจะวางยังไงให้เบาที่สุดไม่ให้มุมมาให้เป็นเรืเอร่องทุกข์ที่เหล็าพาทารล้างถ้วยร้างจานยังไงมันเดิมอยู่ตรงไหนว่าต้องระลึกให้ได้แก้วใบนี้อยู่ตรงไหนว่าครูจะไปวางไว้ที่มัน ให้ใครรูเลยว่าเขาเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางวิ่อยู่ตรงไหนไอ้ที่ข้าวผักลงไปในซิงเนี่ยให้ hey, มันมีหรือเปล่าจะต้องล้างให้เรียบร้อยเลยเหมือนเดิมก่ไม่มีคนใช้มา่ก่อนยอมว่าดีไหมแบบแล้วแต่ทำด้วยความไม่หบังถูกครับนะทําแล้วมีความสุขก็ขจะเห็นได้เลยคือมันเป็นอัตโนมัติในโลกในชีวิตของเราจะคิดจะพูดจะทํามันเป็นธรรมชาติในตัวเรา สมุดบวชบอกจยนจอสมบัติสมบัติมีความพอดีไม่มากไปไม่ไปเลยเงินที่เกิดขึ้นไบเพราะปกติเราหาเงินแล้วไม่มีความสุขอย่างผมเรื่องเง น, นเคยหายเงินแล้วก็เฮ้ต้องการเงินกันที่เพิ่มขึ้นแต่เงินกาาดูไม่มีค่ายให้เป็นไป ห, หลักหลายสิบล้านแต่ดูไม่มีค่าแต่อยากได้ของใหม่แค่เหมือนแค่พันธุ์เนี่ยไปประมูล ง, งานแถบเขาเพื่อให้ได้แค่เหมือนแค่พันกำไรเนี่ยกดหลับอดนอนมไม่ได้เงินเพิ่ม พอรู้สึกเพิ่มรู้สึกเออเราปลภัยไปได้ไหมแต่มันกลาย เ, าเป็นว่าเออทำเต็มที่รวยใช่ไหมทำเต็มที่ได้ใช่ไหมและทําเพื่อช่วยโลกอย่างเห็นทําเพื่อช่วยกันทําให้มนุษย์ธรรมชาติมันไปสู่ความไม่เสื่อมไปสู่ความหาสุนเดียวไม่จริงไม่ได้พูดเดียวว่ามาพูดแต่ว่อแหลแล้อว่าพูดในควจริงใจเฮฟังออกไหม ที่จริงใจเลยเดี๋ยวแต่เพอไม่ต้องมาตั้งโมตัสสัพโตนะโตสัมมาสัพโตตัสสัพนะโมตัสสัพโตนะโตสัมมาสัพโตตัสสัพเดี๋ยาตั้งใจฟังนะใจเป็นสมาธิเชื่อนะแล้ได้จิตวากจิตดีเนาะเ สัพปะปัตสะกการณ์กุศลสุบสัมปทาสจิตัปะยูทัศนังเหตตาสะฮัสงสารต่นตีปเรียนการเทศไปเรอยนเนี้ยโยมฟังนผมว่าเดี๋ยวไปดูตังมาเต็มบานเลยเลยนายยกเต็มไปเทศีเนี่ยนมันมาตกร่องนั้นกันเลยก็จะเห็นพูดคาว่าความรู้สึกตัวเนี่ย หลายคนอ่านก็หือน้องแนงรับรองเป็นคไคยได้ยินลำตัก ค, ความรู้สึกตุ r s a w e n e s หลวงพ่อขียนมาอเมริกาได้คำให้กับไปที่ประเทศไทย <c oughs> แล้วหลวงพ่อของหลวงพ่อพูดกันว่า a w a ว a w a w a r e n e s s awareness a w a r e ก็หลังก็ถามมาสอนอะไรหลวงพ่อบอกนั่งลงนั่งลงให้นั่งต่ำต่ำหลวงพ่อจะก็หลังก็นั่งไม่ได้บอกว่าเข่าสูงอย่างเงี้ยหลวงพ่อไปจับผมโอ้ห่อะไรกันเออนั่นแหละนั่งแบบนั่นแหละเราพอนั่งเอามือไว้ข้างรู้สึกตัวอย่าเงี้ยเรายกมายกมายกมาเสร็จแล้วบอกเช็คแฮนด์เชคแฮนด์หลวงพ่อบอกเช็คแฮนด์กำไ เราได้เจอกับบุคคลที่เราสมควรได้เจอแล้วท่านจะอยู่อีกกี่วันแต่พ่อก็อก็อยู่อีกร้อยวันถ้าอย่างนั้นเราจะพาพ่อพาแม่มาพบท่านเลยว่าเราได้เจอคนที่เราสมควรได้เจอคะับพ่อไปเล่าฝฟังเราก็เอาเรือาจนะอังตฤษไม่เป็นสักคำแต่หลงไปพาทางจนฝรั่งมันเกิดความรู้ขึ้น รู้สึกตัวแล้วก็เกศทำมันบอกเห็นไหมพระอุตตวันกตกนะพลายก็ออกไปถึงโลกจันทร์ละไปไกลมากวิทยาศาสตร์เนี่ยแต่ไม่รู้จักตัวเองเรียนรู้ก็ไกลไกลออกตัวเลยแต่เรื่องของตัวเองไม่รู้จักสามใจไม่บังบัดเมาฟังนุ้ยเนาะพวกเราเนี่ยประภารู้สึกตั ว, วาากันขอเวลาเจ้ประมาณนิดนึง ถ้าเกิดมันสั้นไปยาไปมันก็ไม่เหมะให้พอดีประเด็นอ่ะเบสิกของเราคือไปไหนเราเดินตลอดใช่ไหมเดินไปห้องครัวเดินไปห้องน้ำเดินไปคลินิกเดินไปโรงพยาบาลเดินไปหน้าที่นูนตลาดราค้าอะไรเงี้ยจิกกิ๊งเรามีการเดินอยู่ทุกวันหายใจก็มีอยู่ตลอดตั้งแต่ตื่นจนหลับแต่เราไม่เคยกลับมากำหนดการเคลื่อนไหวเดินท่าน้ําท่านไฟท่านเป็นท่านอราไม่เคยกาหนดพระเจ้าบอกใครกำหนดอย่างเงี้ยจะไม่ว่าเว้นจากพันธิภัณฑ์จะไม่ว่างเว้นจากพระราหั พระเจ้าอะไรชี้นะไม่ใช่ไปชี้นะเลือกพวกเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วเราก็าเราว่าไม่ใช่เป็นวันดื้อคนรัษาหาัไม่ใช่แบบนั้นนะอ่ะซอยเท้าอยู่ที่ตอนนี้เราไม่ได้ซ้อมเดินไปอยไหนเราซ้อมเดินอยู่ที่นะเห็นไห ม, เ ห, ไ เ, ไหมเห็นตัวเองไหมเห็นตัวเองไหมใว่ากําลังเคลื่อนไหวโคล ง, งเพลงโคลงเพลงตัวหัวย่างเท้าเห็นไเรากลับมาเรียนรู้ตัวเราไปก่อนเราเรียนรู้ไปนอกตัวเนตอนนี้เรากลับเรียนรู้ไกาใจอยู่ครับ จะได้เกิดการวางน้ า, าวางขาวางแค่วางขาเป๊กเปนะ๊กเลงเนี่ยจะรู้สึกว่าเราธรรมดาธรรมดามเป๊กเป๊กเลงรู้สึกผ่อนคลายนะรู้สึกเราลองผ่อนคลายเคิดมันรู้สึกมีไหมเจอตำแหน่งตรงนี้ไหมที่ฝึกอับฝึกที่เจอตรีอย่าไปคิดหาคิดเห็นนะพยายามสังเกตเลยเรารู้สึกผ่อนคลายนะเพราะเวลาเราปวดกำบัดกับฟันมีไ น, นี่พิ่ปกติเลยใช่ไห แต่ในระปกติม่นคือการปันปัเเนเราใจเฉื่ออนที่มาขับรถไอ้ารรอรี่ของพ่อเนี่ยอาปาพยายามที่จะดูกายดูใจเป็นหลักว่าใหญ่น้อยให้เราผ่อนคลายก็อจเก่งเก่งพอขับซ้ายขวาแล้วตัวเราเก๊เก่งเราก็เป็นทุกข์ก่อนแล้วเด่ยเจมันถูกไหตอนนี้ยเราไม่ได้เก่ไม่ได้เก่งแต่เราผ่าอนคลายผ่อนคลายก็ปกติไงกายก็ปกติถ้ากายปกติใจก็ปกติไงเจ๊ับ เวลาไม่ปกติหัวใจก็เต้นเร็วสังเกตที่หัวใจเต้นกันไหเวลาปกติเป็นไงเวลามัมตีปกติเวลามรนโกรธหัวใจตุบตบตุเป็นไงเวลามีคามรัดเป็นไงลมหายใจเป็นยังไงมันอยากเลือดละเอียดมันร้อนรู่มไหมจานวนอุณภูมิหรืออุณภูมิมันเป็นยังไงสังเกตเห็นใช่ไหมใเป็น ก, การเรียนรู้กายอากาของกายและที่2คือใจมีสติอยู่บไบกาอโปเซ ได้มีสติโยมกกายได้คือคนที่กำลักตัวมเตือนใจจะมีสติโยมกายแต่ถ้าคนบ้าคนไม่รู้ภาษาใจจะหลงสติอยู่วงความคิดเสมออยู่ความคิดทั้งวันเลยรับรองได้ไม่เห็นตัวเองกำลังนั่นกำลังเดินกำลังยืนไมเห็นนะไม่รู้ว่าไม่รู้เลยขณาดนั้นสติสัญญ่าหายแล้วหรือเนื้อหรือตัวยิ่งมีอารมณ์เข้ามาครอบงำเรียบร้อยเลยก็ได้อะไรได้หมด เรานคอบเนะสติหายเจ็บรอยอรนะั้นต้องรีบ ม, มากตำหนดการเคลื่อนการบันเนี่ยตอนนี้สัมผัสนะชัดไหมชัดไหมฝ่าเท้าระบบประสาทสัมผัสชัดไหมชัดเนที่กิปนปฏิบัติธรรง่ายงแต่เรื่องง่ายเจ้าสองเรื่องย่ายง่ายคนอย่างนี้ทำเรื่องง่ายง่ายไ้หรือเปล่าคนเจ้าทำกะเป็นวัดแต่ท้าอย่ า, างนี้ทำว่าจะเป็นวั น, าานไม่มแ <Yeah, S 2> <Yeah. S 1> ย่เลยคนไทยกับฝรั่งเชี แรกเลยนะขนาดก็กชี้แล้วทดนคนไหมดุเรือนว่าเดินคนคองไฟเงื่อนทานไม่เจ้าชี้ชัไหเพราะนั้นเรามีวัตถุประสงคี่ดีและเหมาะสมว่าที่นี่คือบรรยกาศประมาณนี้บาริบาลิเรามีที่พักนะตอนนี้รู้สึกตัวไหมเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวเป็นทั้งยาและเป็นทั้งชาจะไม่เลื่อน เดินยืนไเนี่ยเรารู้สึกตัวเป็นนั่งยานด้วยนะและเป็นชาญเป็นในตัววันๆเราไม่รู้จะทำไงลรากลับมาหาตัวการต่างเดินยืนเนาะจะไม่เป็นที่พักใจของเราทำไมต้องไปพักอย่างที่มาพูดว่าเอ้ย น, นวลสวนสาธารณะนะไปหาเดินน่นแห้งไปหาเดินอย่างนี้นวทะเลนวลขึ้นขึตกแต่เป็นเมืองไทยนวดขึ้นที่อ่าผาชนะในเวลาเจนาฬิกาตกที่แลมปะเทศเวลา หกนากากี่นาทีขึ้นอยู่กับเรือดูกายไปหาดูกันอย่างเงี้นี่ดูตรงไหนก็เห็นไงพระอาทิตยขึ้นพระทิตกแต่ที่มำคัญก็คือการดูกลยดูใจดูใจทุกที่ไม่ต้องไปหาสถานที่่อาศัยสถานที่กลับมาเมื่อไหร่ได้หมดเลยง่ายไหมไงไหมใช่ป่ะฟังเงี้ยแล้วรู้สึกไงรู้สึกอยากจะไปทำงานอะไรนะ อยากจะทํานานๆใช่ไหมเออก็จะมีคอร์สเนี่ยสามวันห้าวันเจ็ดวันแต่ไม่ต้องเจ็วันก็ดีกว่าห้วันแต่ไม่ต้องห้วันก็ดีกว่าสมวันแต่ไม่ต้องสาวันดีกว่าหนึ่งวันเนื่งวันทำไมก็ดีกว่าไม่มาเลยอ่ะก็ดีแล้วใช่เปล่าใช่ป่าพอไหมพอแล้วไหมพอแน่นเลยจำเป็นรู้สึกสบายไหมเอ๋ไม่จำเป็นก็พ่อนคลายไว้ก่อนให้พ่อนคลายไว้ก่อนรู้สึกผ่อนลายไว้ก่อนทำไมรู้สึก แต่เรารู our readers, our readers, our ้ส yeah. hey, ึกเรื่องควสบายแต่อย่างวันเลยไอยอาจะไมรู้สึกอะไรก็เธออยากมาก่าสมาธิไอ้รู้สึกเนี่ยมันคือความรู้สึกตัวและความรู้สึกแต่คือความรู้สึกตัวเราสัมผัสเนรู้สึกได้ตลอดเวลาถ้าเราฝึกจนกระทั่งมันทำงานแล้วเนี่ยมันจะรู้ว่ามันโดยอัตโนมัติความสบายรู้สึกสบาย ทำไปเรื่อยอย่างนี้อยู่ให้ทำไปเรื่อยองไรีบีะยไม่ต้อครับจลเอยทาไปเรื่อยสบายก็มีไม่สบายก็มีแต่มันจะมีกพมันเป็นธรรมชาติมันจะสบายเพื่อจะให้สบายแล้วมันจะไม่สบายเพื่อที่จะสบายไม่ต้องหาสบายไม่ต้องไปหามันจะเป็นของมันเองเกระจายแบบพวงริมจะเป็นของมันเองก็เออก็ แต่ต้องการจะมาปฏิบัติเนี่ยมีทุกเยน็นวันเสาร์นะฮะ6โมงถึง8โมง 10pm ถึง8 p m ถ้าใครสนใจจริงๆจะให้ท่านจัดคอร์สเสาร์อาทิตย์ก็ได้ไม่ทราบมีใครสนใจก็จัดเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยอีกครั้งหนึ่งหน่งร้อยแต่เพราะว่าพันเกศเคยทำ วันนี้ก็ได้แล้วั้2สองวันไม่ถึง้วันต่วันเยเคยจริงๆนะเปนอย่างนี้แต่เล่าอะไรฟังวันแรกนะย่อชื่ออะไรรึเชื่อโนแอลแปลว่าอะไรโนแอลลว่าเกิดวันคริสต์มาส่ะโนแอลไม่มีตัวแอลใช่ไหมีตัวแอลโนแอลนี่ มันเหมือนพูดกับคนนี้แต่สะท้อนเป็นเล็กทูนะไปหาทุกคนอยู่บ้านเรามีความสุขไหมกับการอยู่จากโคลกอันนี้ที่นอนอันนี้อาหารประริดนี้แล้วเราคูดชินนะนึกถองยูเครนนะว่าถ้าเกิดโลค ก, กันระบิดมันลงแล้วไม่มีบ้านอยู่ทุกไหมซ้อมไหมต้งไหม ได้เคยซ้อมไหมบ้างไหมเพราะนั้นการมาอยู่ที่นี่มันเป็นการซักซ้อมเราไม่ได้อยู่เหมือนเดิมแต่อยู่ได้เหมือนมาเข้าคลายแล้วม่จะเกิดการปรับตัวนะเช่นขอโทษขออภัยอาจารย์บุญเพลงเนี่ยแกเป็นคนสะอาดแกเอาไอ้น้ำยาสะอาดสะอาดไปแปะที่ห้องน้ำมันจะขอหลัตัวนะ แล้วอยู่มาวันนึงก็มีข่าวไล่เกิดขึ้นมาคือหลวงตาบอกว่าอยากเข้าไปหอนนนอกงานเพราะว่าไอเนี่ยกตกลงไปในรูแล้วหัวตายแกกันรวมล้วงมายิงรวงมนยิงไหลไปลึกลลงไงไ เ, เลยไปขวางแล้วเข้าออกงานไม่ได้มันก็เลยต้องมาใช้ของโนงมาต้องใช้ตรงไหนก็ไม่รู้ซึ่งเรบไปคุน้นกันไหมมันมากบางทีไอตรงเนี้ยมันก็สูงระดับเนี้ยแม่งไปขาก็พอถ้าเกิด ลงที่บนเพลงแกส่สนๆหน่อยมันจะง้อง อ, งอุ้ยไวย้ใช่ไหมสมุทรไับหรือยอมอย่างเงี้ย ใ, ใครข้าวหรืขาใครขาใครอย่างเงี้ยมาดูสมุทรไบบางต้องปรับไหมก่นที่จะนั่งต้องปรับไหมไปข้าห้องน้ำตงไหก็กตามเพราะนั้นวิถีมันถูกเปลี่ยนหนึ่งวันสองวันกว่าจะปรับเข้าที่เข้าทางไงจริงไหมพวกเราจริงไห ม, จ, ไหมจะผป็นอะไรจะเป็นันจะเนดือนแต่ปีมันจะคุ้นถิน่นยี่สิบอ็ดวันเมนเดิมจะเข้าเลยหรื ก็นี่พอเราเริ่มปรับตัวเข้าสถานที่ก็ทำบ้านสวดมนต์กับการตื่นการหลับรูปแบบกับการปฏิบัติหนึ่งวันสองวันแล้วนะนเนี่ยเท่มันคือมันจะคุ้นชินกับสิ่งังใจเริ่มมาอยู่รู้เนื้อรู้ตัวไม่คิดถึงรูปถึงหลางถึงบ้านถึงทราบถึงนั่งนี่โน่นอดีตอนาคตพวกนี้มันก็ต้องเอื้ยอีกวันสองวันนะตอนมันจะชินติดถึงพวกนะี้ตอนพาเข้าไปสี่วันแล้วนะพอชินทั้งสถานที่ชินทั้งรูปแบบปฏิบัติชินทั้งเริ่มสนุกกับการปฏิบัติแล้ว เก็บเกี่ยวอีกวันสองวันกลับบ้านประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นคลอดไปวันห้าวันเจ็วันนักมาวันกลับมาหนึ่งหรห้าวันน่ยมาปรับตัวจะสองวันมาเริ่มต้นที่จะเข้าใจสักสองวันอีกวันก็เริ่เก็บเกี่ยวพอเก็บเกี่ยวติดกับไปบ้านครับเออวันไหนไม่ได้ทําชั่วโมงไหนไม่ได้ทำรู้สึกกระหายอะไรไปแรกเนี้ยเฮ้ยแสดงว่ามาเริ่มติดแล้วเนี่ยข้อดีของการมาอบรมที่จะมามองเห็นนะนะหนึ่ ว่าอย่างว่าแล้วมีเวลาแค่เอนเาันที่คุณหมอจะแนะนาจาดแล้วแต่งความต้องการประโยชน์เราตามเัวินเทจร่าเยกาับาอหว่าจะจะให้ยืดเวลาอะไรก็มาคุยกันเลยดีทุกอยคนที่เก้าดำดิอยาจะมาสาธนหนสาธุ ที่ให้สาธุไปบ่อยเนะีคือมันเป็นบุญไม่ได้เสียตังค์าเรีกรยกอนุโมทนาไว้แต่ไม่ได้เสียการค์เหมือนกันเห็นคนก็แล้วก็โอ้ดีนาะโอ้ยดีดีดีดีเพราคุณทำดีเนี่ยมันไม่อิจฉาหรื่ออย่างกันแล้ว ม, มันกลายเป็นความสุขเองการชื่อมโยงแต้นกะ็เ<อ>ลยให้สาธุไปบ่อยแล้วก็ได้ตําแหน่งของความสบายใจไว้วางใจกันก็ยังดีเป็นมิตรภาพขยลนอันเป็นแล้วจะได้เป็นบรรยากาศกันยังเป็นบรรยากาศที่พาไปเจอ กา ร, ระยานะธรรมในตัวทุกคนจะมีกา ร, ระยานะธรรมตางที่เป็นที่พื่นของตนอีกทีไอ้ใจก็บอต่ อ, อคนนั้นชื่อพิชานะไม่ใช่ปรีชา <c oughs> <c oughs> เห็นปรีชาอะไร <c oughs> ปรีชาไม่ได้หบอกตรงมีใครมีกับตาไหม ก็ยู่เย่ยตีแทนนี่เ่ยตีจเป็นแค่นี้นะครับมาเล่าสอใช้กคำพูดที่ดว่าก็ขอขอบคุณกันหรือที่ ว, ว่าอนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกคนทุกท่านที่ได้มีโอกาสมาเจอกันถือว่าเป็นการเรียนร้นะมาไม่เป็นครูบาจาจอย่าังไงเป็นการเรียนรู้กนะัแล้วก็จะชวนกันเรียก ว, ว่า ปฏิบัติธรรมปฏิวัติวกนะ่กลับมานะกลับมาทั้งก็คือธรรมชาติมหาธรรมชาธรรมดาธรรมดาที่เราตั้งเดินจีนนอนีิดับตายคิดถึงพรู้กันเจ้ฝึกสติปตฐานเพราะพุทธเจ้าได้ชี้ไว้ว่าขนทางเดียวขนทางเดียวเอากขมโควิสุทธิยาตูกการรู้แจ้งคือสติตฐานไม่ได้บอกสมาธินะสติเป็นพี่สมาธิที่เป็นน้องนะสามารถสติแล้วค่อยสัมมาสมาธิเลยเข้านะใจได้ไหย มันการที่เรามาเจอกันได้ยังไงก็ขอให้เป็ น, นมิติหมายของการที่เราให้มันเจอมิตรภายในใจของเราที่เรียกว่าสติสถานที่เรามีอยู่ในตัวเราแล้วทุกคนไม่เป็นและขอให้เป็นการเจริญสติเมื่อเราเจริญสติสติก็จะเลิญนช่ไหจนกระทั่งมันเดินทางสู่ความเป็นปกติแล้วชีวิตเราก็ปกติในทุกๆขณ น, นมันจะอยู่เนสุขเหนือทุก เนื e ici, ้อปเนื้อปาและเป็นการเดินทางสู่วัดสู่ผลก็ขอให้ได้เจอในดวงชาตินี้โดยทั่วนาการทุกทัานทุกกนเนั้นทักต่อไปไว้พระพอมกันลังจามจัมบุโตพคะวา ที่เป็นเพื่อนทุก เ, เ, เกิดแก่เก็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอาเวลาหลนตูดลงเป็นสุ ข, เ ป, สขเป็นสุขเธออย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยเลอาภัยาประจาวนตู จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย ividual, いい่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอดินาหนุูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์ใทุกข์ใจเลยสุขีอัตจานันบริหารรัตตูจงมีความทุกขกใจทุกขใจ ด้วยกันทุกคนทุกการเทิทจเจริญพรญาติโยมละขอบคุณอาจารย์ที่ได้มาให้ธรรมะกับญาติโยมญาติโยมนั่งอยู่ที่นี่เป็นคนมีสติมีปัญญาดีๆมาเอาของดีๆในไปใช้ในที่บ้านในครอบครัวกับอาชมาภขอเจริญพรระขอบคุณญาติโยมทุกคนทุกทการเจริญพร